ไม่เที่ยงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประบายหรืออึดอัดไม่ว่าจะเป็นภาวะทางกายไม่ว่าจะเป็นภาวะทางใจอื่นใดก็แล้วแต่เอาละเรามาเริ่มต้นกัน <c oughs> การเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่ใช่การมานั่งบังคับไม่ใช่การมานั่งเพ่งเอาว่าจงสงบเดี๋ยวนี้ เอว่าส่วนล่างสุดคือฝ่าเท้าเนี่ยนะมันสะท้อนว่าพื้นจิตพื้นใจของเรากำลังอยู่ในภาวะพุ่งสัน้นภาวะเครียดหรือเปล่าถ้าหากอยู่ในภาวะพุ่งสัน้นภาวะเครียดสังเกตเข้ามาเถอะรับประองจะพบความจริงว่าฝ่าเท้ามันมีอาการเครง็งหรือมีอาการงองอุ้มแต่ถ้าหากว่า เรากำลังจิตใจสบายนะดูเข้ามาเนี่ยฝ่าเท้ามันจะวางสบายสบายไม่มีอาการเกรง็งไม่มีอาการงอมีแต่อาการแบรสบายจากนั้นไล่สังเกตขึ้นมาว่าฝ่ามือวางราบอยู่กับหน้าตักเนี่ยมันมีอาการการรหรือเปล่านี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอาการยึดกับอาการปล่อยวางเลยนะฝ่ามือเนี่ยถ้าหากว่ามือกาอยู่ตอนนั้นกาลังยึดตอนนั้นจิตมันกาลัง มีอูปทานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามือวางแบ่สบายอันนั้นมันพร้อมที่จะปล่อยวางทุกอย่างพอเกิดความว่างที่ฝ่าเท้าที่ฝ่ามือขึ้นมาเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวไล่ต่อมาสังเกตนะดูว่าทั่วทั้งใบหน้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขมวดอยู่ไหมมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันตึงอยู่ไหม ถ้าขมวดอยู่ก็คลายหัวคิ้วออกซะถ้ามีอาการตึงที่ขมับอยู่นะเราก็ทำความรู้สึกเข้าไปมันจะค่อยๆ ค, คลายออกมาพอคลายทั่วแล้วนะทั้งมือ ท, ทั้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งใบหน้าคุณจะเกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาทั้งตัว อนี่มันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของทั้งตัวเนี่ยมันผูกอยู่กับสามจุดหลักนี่แหละสามจุดหลักนี่ผ่อนคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อของทั้งตัวก็จะสบายตามเมื่อนั้นนี่เรียกว่าเตรียมภาวะทางกายให้มีความพร้อมจะเข้าสู่สมาธินะคือมีความพร้อมจะเป็นที่ตั้งของจิต ที่มันมีความสบายที่มันเปิดที่มันกว้างที่มันไม่เคร่งเครียดอันดับต่อมาเราแค่สังเกตว่าร่างกายมีความต้องการที่จะเอาลมเข้ามาแล้วหรื อ, อยังบางคนเนี่ยนะเอาลมเข้าด้วยความอยากด้วยภาวะตัณหาอยากจะมีสมาธิ อยากที่จะเกิดความสงบจำไว้ว่าทุกครั้งที่มีความอยากมันคือทุกครั้งที่ใจมีความกระวนกระวายเราไปสร้างเหตุของความกระวนกระวายมันจะเกิดความสงบได้อย่างไรต่อเมื่อเรามองเห็นื่าเออนี่ร่างกายมันถึงเวลาที่จะดึงลมหา ย, หายใจเข้ามาแล้วเรา ้องท้องออกนิดนึงลากลมหายใจเข้ามาตามธรรมชาติตามความเรียกร้องทางธรรมชาติของกายอย่างนี้มันไม่มีความอยากมันไม่ได้มีความอยากทางใจเข้ามาเกี่ยวข้องใจก็ไม่กระวนกระวายพอลมหายใจเข้าไปสุดสุดปอดแล้วมันเกิดความอึดอัด ก็ถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องผ่อนระบายลมหายใจออกมาจนหมดอาการผ่อนระบายลมหายใจออกมาจนหมดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของธรรมชาติทางกายอีกเช่นกันไม่ใช่ความอยากจะรีบไล่ของใจลมหายใจออกมาหมดเราสังเกตต่อ ว่านี่ร่างกายมันสามารถอยู่ได้นิ่งๆโดยไม่ต้องเอาลมเข้าไม่ต้องอรตบายลมออกหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยนะมันจะอยู่นิ่งๆในแป๊บหนึ่งไอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะถ้าหากว่าเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยในท่านั่งคอตั้งหลังตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้าทันทีมันอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยไม่ต้องมีลมหายใจเข้าออกก็ได้ โดยความเห็นอย่างนี้นะเราจะทําสมาธิโดยไม่มีความอยากเลยจิตจะตั้งมั่นอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆมันตั้งมั่นขึ้นมาปรั บ, บในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมันต้องถูกถ้าหากว่าเริ่มต้นผิดเนี่ยไม่มีทางที่จะตั้งมั่นได้หรือว่าบางทีพลุกๆุกขึ้นมา มันเกิดอาการแช่แข็งคนก็นึกว่านี่ได้สมาธิแล้วจริงๆริงวาจิตมันแช่แข็งอยู่เฉยเฉยใช้การอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเฝ้า ร, รู้เฝ้าดูอยู่ในฐานะผู้สังเกตการเฉยเฉยตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้เวลาที่มันมีความตั้งมั่นมีความแข็งแกร่งเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความตั้งมั่นอย่างรู้ มีความตั้งมั่นอย่างตรงไปด้วยสติในการสังเกตการอยู่เฉยๆ เ, เนี่ยมันเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกนอกจากนั้นยังมีอะไรละเอียด เราจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ได้ต้องการลึงลมเข้ายาวๆอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันต้องการลมหายใจเข้าน้อยๆ น, นะะต้องการระบายลมหายใจออกน้อยๆ น, นี่ก็แสดงว่าความสั้นความยาวของลมหายใจเนี่ยมันไม่มันไม่สม่าเสมอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เราเห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นคนละชุดกันชัดๆ ื่อตอนที่มันเข้าออกโดยที่มีความยาวความสั้นไม่ไม่เท่ากันมีความไม่สม่าเสมอนี่เองเห็นได้ง่ายๆเลยเห็นตอนจิตที่มันว่างๆจากความอยากเห็นตอนจิตที่มันมีฐานะของผู้สังเกตการมีฐานะของผู้ที่นะมีความเปิดกว้างไม่ใช่คับแคบมีความสว่างไม่ใช่มืดมนมันเห็นชัดๆเลย ลมหายใจนี่เข้าออกคนละชุดอยู่ชัดๆยาวสั้นไม่เท่ากันอยู่ชัดๆที่สําคัญมาตลอดว่าเราเป็นผู้หายใจเราเป็นคนหายใจเราเป็นเจ้าของลมหายใจมันผิดทั้งเพมันผิดมาตั้งแต่ต้นผิดมาตั้งแต่เกิดเลยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอาณาปานสติได้สังเกตเห็นอย่างนี้แหละ ันถึงรู้ว่าลมหายใจเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของเราตอนที่มันรู้สึกว่าลมหายใจไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะจะไม่มีโมโนภาพอยู่ว่าเราเป็นคนหน้าตาอย่างนั้นหน้าตาอย่างนี้เพศนั้นเพศนี้ชื่อนั้นชื่อนี้มีแต่จิตที่สังเกตการอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตนะถ้าหากว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงอยู่ จิตจะไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งนั้นไม่เกิดอุปทานว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมันจะเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยว่าลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกยาวสั้นไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นาธาตุลมมันเป็นแค่าธาตุพัดไหวส่วนจิตเนี่ยที่นิ่งรู้อยู่มีความเป็นาธาตุรู้มันต่างกันไม่เหมือนกันเป็นคนละาธาตุกันเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ใจมันจะเบา มันมีความสงบมันมีความเป็นอิสระอิสระจากอุปาทานอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นตัวความเป็นอิสระจากอาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีความสุขมันมีความเปิดมันมีความสบายแต่ถ้าหากว่าจิตของเรายัางไม่ตั้งมั่นจริงยังไม่ตั้งมั่นเป็นฌาน นานๆเนี่ยนะแป๊บหนึ่งก็จะมีคลื่นความคิดก่อตัวขึ้นมาในหัวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นธรรมดานั้นเรายังสังเกตเห็นได้ด้วยว่าคลื่นความคิดในหัวก่อตัวขึ้นเมื่อไรความสุขความเบาความสบายมันก็หายไปเมื่อนั้นนี่ก็เป็นการเห็นความไม่เที่ยงของความสุขเช่นกัน ไม่แตกต่างจากลมหายใจลมหายใจเข้ามาแล้วออกไปอันนี้ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีสิ่งบรบกวนความสุขพอเห็นความสุขความทุกข์นะเห็นความสบายเห็นความอึดอัดทางใจได้ผ่านคลื่นความพุ้งซ่านผ่านคลื่นบรบกวนที่มันผุดขึ้นมาเป็นระลอกระลอกเนี่ยเราก็จะเห็นเข้าไปด้วยว่า สภาวะทางใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีความสงบเดี๋ยวมันก็มีความฟุ้งฟานปั่นป่วนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนี่ยเรียกว่าเห็นเข้ามาถึงสภาวะทางใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ว่าทั้งลมหายใจทั้งสุขทุกข์ทั้งสภาวะของจิตมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยใจเราจะเป็นอิสระจริงๆ มันไม่มีที่ยืนให้กับอุปาทานแต่รัางเดิมเนี่ยนะมันมีทั้งความรู้สึกนึกคิดมีทั้งร่างกายจะหายใจจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราไปหมดมันมีความยึดที่เหนียวแน่นมาตั้งแต่เกิดแต่พอมาเห็นอะไรอะไรมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะมันจะเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตนขึ้นมา ความรู้สึกว่างจากตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ความสว่างมันไม่ใช่ภาวะทางใจที่เปิดหรือเปิดเปิดหรือแคบนะมันเป็นภาวะของการรับรู้มันเป็นภาวะของความรู้สึกว่าเออไอนี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆด้วยมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะเอาตัวไหนล่ะ ที่เป็นภาพแทนของตัวตนตัวเรานี่แหละคืออาณาปานสตินะมันมาลงเอยกันที่จิตผู้รู้ผู้เห็นว่าอะไรอะไรในขอบเขตกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงไปซะทั้งหมดเมื่อเห็นได้มันก็กลายเป็นตัวอย่างเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเอาไปใช้เจริญสติในระหว่างมีชีวิตประจาวันได้ต่อไป เอาละก็มาเติมเข้าสู่ช่วงของการเสวนาถามตอบกันนะเอาเลยครับเริ่มตั้งแต่คนแรกไล่ไปตามลำดับนะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครั บ, รบก็มาครั้งที่สองแล้วมาครั้งแรกก็คือเมื่อเดือนก่อนนะคะคือจะบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่า พอดีตอนแรกนั่งแถวที่สองแล้วย้ายมานั่งแถวแรกแล้วกลายเป็นคนคนที่หนึ่งก็ต่อไปก็อาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะก็เมื่อกี้ที่นั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเองไม่ไปไหนเลยอะค่ะรู้สึกว่ามันยังมีความคิดวนแต่บางทีมันก็มีจังหวะที่หายไปแล้วไม่รับรู้อะไรตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ฟังที่พี่บอกนะ ที่พี่บอกดีๆว่าความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าจะเป็นภาวะทางใจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยนั้นเราสามารถเห็นได้ว่ามันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือเรามีสติแล้วการคาดหวังว่าเรานั่งสมาธิในแบบใดๆเริ่มต้นขึ้นมาแล้วมันจะนิ่งเนียนไปนตลอด อ, อย่างต่อเนื่องตลอดเนี่ยอันนั้นเป็นความคาดหวังที่ผิด นะถ้าคิดว่าความก้าวหน้าหมายถึงการที่เราจะได้นิ่งได้เนียนทันทีเนี่ยอันนี้เป็นความคาดหวังที่จะทำให้ไม่ได้อะไรเลยอย่าว่าแต่สมาธินะแม้แต่สติเราก็จะหายไปหายไประหว่างนั่งนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราคาดหมายเราตั้งมุมมองไว้ว่าการนั่งสมาธิของเรา เราจะดูว่าอะไรๆที่มันเกิดขึ้นในขอบเขตของกายใจเนี่ยมันเหมือนกับลมหายใจที่เข้ามาแล้วจะต้องออกไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันน่ายึดมันน่าเอาสติตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการแล้วสติตรงนี้ตัางหากที่มันจะเป็นตัววัดความก้าวหน้ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่ว่าเออมันมาแล้วมันผ่านไปจริงๆด้วย นะตัวสติตัวนี้มันจะทำให้มันจะปรุงแต่งให้จิตเข้าสู่ภาวะผู้รู้แบบพุทธหรือพูดง่ายๆเป็นพุทธิจิตเป็นพุทธิปัญญามากขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าสมาธิมันจะยังไม่เกิดแต่สติมันเกิดแล้วก็สัมมาทิฏฐิมันได้ที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภาวะของจริงทางกายทางใจนะตั้งมุมมองใหม่ คือมันไม่แน่ใจว่าเรารู้หรือไม่รู้เพราะว่าตอนที่นั่งไปเริ่มต้นอะคะ่ะคือตอนแรกนั่งไปสักพักมันมันรู้สึกว่าทําไมหัวใจเราเต้นแรงอย่างนี้มันเต้นตึกๆึ๊ ก, ต, กต๊กสักพักหนึ่งมันก็เหมือนสงบลงสักพักมันก็เหมือนรู้ว่าหายใจ ย, า, ยาวได้สั้นได้สักพักมันก็เริ่มเหมือนเห็นคือเหมือนความรู้สึกว่าเห็นแสงข้างขวาเป็น เป็นแสงที่มันสว่างจ้าออกมาแต่เป็นจ้าแบบออกสีส้มนะคะสักพักหนึ่งเห็นข้างซ้ายเป็นสว่างแบบแสงนีออนขาวแล้วก็รู้สึกว่าสักพักหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยคือมันเหมือนรู้แล้วไม่รู้สลับกันก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองมันถูกทางกี่ทางพอเห็นแสงนะไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือว่าจะเป็นไ อ, อที่เป็นปลนีออนหรือว่าเกิดจากโอภาษ์ภายในก็แล้วแต่ ให้มองว่าเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเห็นนะสิ่งที่มันกําลังปรากฏเนี่ยเป็นแค่ของปรุงแต่งจิตเราจะได้นิยามถูกว่าเราจะมีท่าทีกับมันยังไงถ้าหากเรามองว่านั่นเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตเนี่ยมันง่ายนิดเดียวก็คือสิ่งปรุงแต่งจิตเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นแสงเราก็ยอมรับว่าเห็นแสงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วขนาดเดียวกันไม่ต้องประหลาดใจไม่ต้องกลัว ไม่ต้องจัดการอะไรกับมันนอกจากรับรู้ว่ามันเป็นแค่แสงอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราขึ้นต้นมามันมีความสบายมันมีความสบายเป็นเป็นอจุดจุดแรกๆอะที่เราไล่ขึ้นมาจากเท้าจากมือเงี้ยนะเสร็จ แ, แล้วพอมันมีคลื่นความคุ้งซ่านเข้ามารบกวนเราก็เริ่มเปะไปตามมันคือฟังพี่ไปด้วย แล้วก็เหมือนกับพอเห็นแสงเนี่ยแล้วเกิดความสงสัยเนี่ยมันไหลไปตามนั้นแหละไอ้ความสบายที่เรารู้ทําให้เรารู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยหายไปแล้วเราไม่ได้กลับมาสังเกตอีกเอาให้จำไว้ว่าถ้าหากเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความสงสัยเกิดปรากฏการทางใจอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ให้กลับไปนับหนึ่งใหม่เลย ไล่ขึ้นมาเออเนี่ยมันมีเท้ามีมือไหมจริงๆไม่ได้เพื่อที่จะให้เกิดความสบายอย่างเดียวนะแต่เพื่อที่จะให้สติมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยสังเกตเนี่ยตอนที่เรารู้สึกถึงเท้าถึงมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สบายแต่มันรู้สึกว่าเออมันมีท่านั่งเรากำลังนั่งอยู่แล้วนั่งอยู่อย่างสบาย นี้พอเริ่มให้สังเกตลมหายใจพอสังเกตไม่เป็นเนี่ยมันก็จะออ่มีของล่อใจบางครั้งเป็นความปุ้งซ่านบางครั้งเป็นแสงสว่างของบางคนเนี่ยนะเหมือนกับพบกับแสงสว่างจ้าเลยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันแสงสว่างอะไรมันจะเจิดจ้ามันเจิดจัดขนาดนั้นเนี่ยก็ ถ, ถูกดึงไปให้สนใจถูกดึงไปให้ลืมสังเกตว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเอเรียบทนั่งหรือว่าลมหมายใจเนี่ยกำลังแสดงอะไรให้เราเห็นจริงๆแล้วการที่เรา ถ, ถูกดึงไปสนใจเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ถ้าหากว่าเราสนใจแสงสว่างจริงๆขอให้สนใจโดยความเห็น โดยมุมมองที่ว่าแสงสว่างนั้นมันอยู่ได้นานแค่ไหนแสงสว่างนั้นถ้ามันเจอจ้ากว้างแค่ไหนเนี่ยนะให้เรามองไว้เออเนี่ยจ้าแค่นี้นะจ้าที่ลมหายใจนี้ขนาดนี้แล้วลมหายใจต่อมามันแคบลงหรือว่ามันกว้างขึ้นถ้ามันมันแคบลงเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงแล้วนะจากกว้างมากกลเป็นกว้างน้อยหรือครับแคบลง หรือไม่ถ้าหากว่ามันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะขยายใหญ่เท่าฟ้าเลยอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้รู้ว่าเออนี่มันไม่เที่ยงอีกแล้วนะมันมีความไม่เที่ยงกำลังแสดงให้เห็นตลอดเวลาในทุกภาวะไม่ว่าจะลืมตาหรือหับว่าหลับตาแต่ประเด็นก็คือพอเราไม่ศึกษาหรือเราไม่ได้สังเกตโดยความเป็นของไม่เที่ยงใจเราจะเข้าไปยึดด้วยความตื่นเต้นบ้างด้วยความสงสัยประหลาดใจบ้างด้วยความ ที่ว่าเอออยากจะได้อะไรเร็วๆบ้างนะมันมันมีสารพัดแหละที่จะเป็นเหตุผลทางใจเหตุผลทางใจเนี่ยขอให้สังเกต ง, ง่ายๆอ่ะมันอยากได้จุดเริ่มต้นเลยของทุกสิ่งเลยนะออกมาจากใจนียคือความอยากได้เพราะนั้นพอมีอะไรมาล่อหูล่อตาหรือล่อใจ มากระทบกระทั่งทําให้เกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปทางนั้นก่อนเราจะหันเหไปทา ง, ท, างทันทีแต่ถ้าเรายังมีความแม่นยําเรายังมีทิศทางที่ชัดเจนนะเราจะเห็นว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ความอยากได้หรือว่าความตื่นเต้นมันจะลดลงลดกําลังลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ขออีกนิดนึงนะคะแล้วพอนั่งไปอย่างที่พี่ตุลทักมาเมื่อกี้อะค่ะก็รู้สึกว่าเ อ, อเรามันเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนะไม่ไม่นิ่งคือไม่ใช่ไม่นิง่งเขาเรียกไงเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แต่ใจไปคิดนําอะค่ะว่าเห็นไหมเนี่ยมันเรากําหนดมันไม่ได้นะพออยากเห็นอีกเนี่ยมันก็ไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วสามารถคิดนําอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องรู้เองคิดนําตอนแรกๆต้องคิดนําไปก่อนค่ะ คิดนําว่านี่นะตอนนี้ใจเราจะสํารวจสังเกตดูว่าใจของเราอยู่ในทิศทางที่มันตรงทางหรือเปล่าถ้าหากว่ามันอยู่ตรงทางมันจะต้องมีความคิดว่าเออเราเห็นความไม่เที่ยงไหมคือบางทีเนี่ยมันอาจจะตั้งอยู่ตรงนั้นนานเลยนะอาจจะอยู่ห้านาทีสิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมง ตอนที่เราดูเนี่ยเราดูโดยความเป็นของที่ตั้งอยู่ให้ดูแปบ๊บหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ดูโดยความเป็นอย่างนั้นมันจะมีความยึดเอาว่าขอให้จงอยู่อย่างนี้นานๆอ่าเนี่ยอันนี้ถ้าขอให้จงอยู่อย่างนี้นานๆแสดงว่าจิตยึดด้วยความอยากได้นี่แสดงว่าผิดทางละแต่ถ้าสำรวจสังเกตเข้ามามันจะตั้งอยู่นานแค่ไหนก็ตาม เราดูอยู่เฉยๆดูว่ามันจะเปลี่ยนให้ดูหรือเปล่านี่อย่างนี้อยู่ตรงทางคือมันไม่ได้อยากได้มันไม่ได้อยากรักษาไว้แต่มันรอดูอยู่เฉยๆว่าเออเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนเหมือนกับการแสดงแสงสีเสียงทุกคนรู้หมดว่าแป๊บหนึ่งแสงสีเสียงมันจะต้องหายไป แต่บางคนเนี่ยบอกโอ้ยอยากให้อยู่ในอย่างนี้นานๆจังเลยอยากให้จุดพลุขึ้นมาสว่างแบบนี้ทั้งคืนนี่เป็นความอยากที่ผิดละพอแสงหายไปก็เสียดายแม้อยากให้อยู่นานๆ น, น, นานกว่านี้นี่คือตัวอย่างเราสํารวจเข้ามาที่ความคิดแล้วเห็นว่าเออเรากําลังอยู่ในทิศทางของการรอดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปไอ้นี่ทิศทางนี้นะมันจะพัฒนาทั้งจิต แล้วก็พัฒนาทั้งความเห็นทั้งสติความเห็นนี่ก็คือไอ้ตัวสัมาราทิฏฐิเนี่ยให้มันถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ของน้องเนี่ยคือถ้าคือมันไม่น่าแปลกใจอะว่าทำไมเราถึง ในความรู้สึกยินดีกับภาวะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาวะที่เป็นตรงกันข้ามกับภาวะดั้งเดิมที่เราค่อนข้างจะฟุ้งแบบไม่หยุดนะปรุงแบบลาคาญตัวเองฟุ้งแบบเหมือนกับรู้สึกหลายๆครั้งเราฟรุงความฟุ้งซ่านเนี่ยมันนําไปหาความรู้สึกอ่อนแอ คมรู้สึกเหมือนกับจับอะไรไม่ติดไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> อย่างไรภาวะนิ่งที่เราได้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายมันเหมือนกับเหมือนออกมาจากที่มืดเหมือนออกมาจากอะไรที่มันยุ่งยุ่ง ยุ่งเหิงอยู่เนี่ยออกมาทุ่งทุ่งลงที่เป็นเป้าหมายปลายทางนะแต่น้องต้องบอกตัวเองไว้ให้แม่นยําให้จําให้แม่นเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป้าหมายสิ่งนี้เป็นเพียงกําลังกําลังทางใจที่จะทําให้เรามีความสามารถเจริญปติในขั้นต่ อ, ตอไป พอบอกตัวเองไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีแต่มีความสังเกตเมื่อเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้นานแค่ไหนเมื่อตั้งอยู่มันตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะหายไปอย่างนี้มันจะไม่มีความเสียดายแล้วก็ไม่ได้มีความอยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกแหละถ้าเราทาถูกนะ คือกลับไปนับหนึ่งใหม่ยังถูกต้องมันก็จะกลับมาถ้าได้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางห า, หายไปขอแค่ว่าเราดำเนินสเต็ป by สเต็ปมาอย่างอย่างถูกต้องตามที่พี่ไกลไปเนี่ยบอกว่านั่งอยู่บ้านไม่เคยได้แบบเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกอย่างที่พี่บอกคือรู้สึกยินดีว่าเฮ้ยทำไ ม, มทำาาได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มีส่วนที่ว่าเรามานั่งพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เสริมกันจิตของหลายจิตของหลายๆคนเนี่ยพอมันมามองตรงกันมองแบบที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้มองเนี่ยมันก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันเกิดความมีเขาเรียกว่าสนามพลังของความเป็นพุทธ สนามพลังของความเป็นพุทธเนี่ยก็คือการที่เราได้มามองตรงกันแล้วเกิดกำลังของสมาธิจะจะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยนะมันเป็นความสบายให้แก่กันแล้วกันมันมีคลื่นความสว่างคลื่นความสบายที่มันกระจายอยู่ทั่วห้องพอมันนั่งแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกส่งเสริมมันรู้สึกง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราทาได้เนี่ยนะ มันเป็นนิมิตหมายว่าโอเคเราผ่านด่านยากมาแล้วด่านยากคืออะไรด่านยากคือความความกวนกระวายความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะบอกตัวเองเนี่ยถ้ากลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งไม่มีความคาดหวัง ว่าจะเอาให้ได้อย่างนี้หรือไม่มีความยินดีว่าจะเอาแค่ความสว่างอย่างนี้เท่านั้นแต่มีความยินดีที่จะเห็นทั้งความสว่างทั้งความมืดทั้งความฟุ้งซ่านและความสงบเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวถ้าอย่างนี้มันจะเป็น อ, อการเข้าสู่สมาธิที่ถูกต้องสมาธิแบบที่พระพุทเจ้าชี้ให้เกิดขึ้นนะ ดีค่ะคุณดังตินมาครั้งที่2ค่ะเดี๋ยวเอียงเอียงนิดหนึ่งสหองศามันจะได้เตียงมันไม่ค่อยเข้ามาครั้งที่2ค่ะเข้าก่อนออได้รับคำแนะนำว่าออพอมีสติอยู่บ้างให้มีความสุขกับปรากฏการณ์ที่อยู่ตรงหน้าก็ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขปกติสุขบ้างแต่ก็ยังมีอากุศลเข้ามาในใจอยู่เรื่อยๆรื่อนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนนะ ก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกตัวเองว่าจิตจิตมันจะเฉยอะค่ะมันจะกระทบแล้วจะเฉยค่อนข้างจะรู้สึกเฉยไม่อย่างเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิมันมีความชุ่มชื่นใช่ไหมค่ะมันมันรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาตัวความชุ่มชื่นเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจนะเวลาที่เราไปเจริญสติต่อเนี่ย ม, มันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่กระทบอะไรเข้ามาเนี่ยเราเกิดความเฉยเกิดความรู้สึกว่ามันยินดียินร้ายอะไรก็แล้วแต่จะยินดีก็ตามจะยินร้ายก็ตามหรือจะรู้สึกเฉยเฉยก็ตามนะถ้าหากว่าเรารับรู้มันไม่แตกต่างจากที่ดูลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนีนะ้มันก็จะเกิดความชุ่มชื่นแบบเดียวกันขึ้นมานะคือพูดง่ายง่ายว่าการทําอานาปานสติถ้าหากว่าทําทุกวันนะ แล้วมีความชุ่มชื่นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกําลังหนุนเวลาเจริญสติขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเรียกเอาความรู้สึกชุ่มชื่นตรงนี้ขึ้นมาค่ะเออมันชุ่มชื่นจริงแต่มันก็เวลากระทบเราก็รู้สึกเอ๊ะมันเฉยจริงหรือว่าเราก็ยังรู้สึกเบื่อไม่อยากจะถูกกระทบอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเฉยจริงหรือว่ า, ม, วามันเฉยไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะ ให้ดูว่าตอนที่เบาเนี่ยตอนที่มันรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยมีความเบาหรือว่ามีความหนักมีความอึดอัดหรือว่ามีความสบายนะลองสังเกตดูพอเราเห็นได้ว่าไอ้ที่มันเฉยเฉยเนี่ยมันยังมีความเบ า, ม, ม, า, ม, เบามันยังมีความรู้สึกว่าเออไม่ไม่ยึดไม่ถืออะไรนะให้จัดประเภทว่าตรงนั้นเป็นสุขเวทนาอย่างหนึ่งเป็นความสุขชนิดชนิดหนึ่ง เราจะได้บอกตัวเองถูกว่าไอเนี้ยที่เราไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดแล้วใจไม่อึดอัดใจมีความสบายใจมีความผ่อนคลายมันจะได้สังเกตเข้ามานะแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเนี่ยสำคัญมากในช่วงเริ่มต้นเจริญสติถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นปฏิกิริยาทางใจเนี่ยมันมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยดูไปแล้วมันมันว่างเปล่าไปหมด แต่ถ้าเราสังเกต ด, ดูโดยความเป็นอย่างนี้นะว่าไอ้ที่เฉยเฉยเนี่ยบางทีจิตมันเหมือนกับมีความเบาบางทีจิตมีความรู้สึกเหมือนกับยั ง, ย, งยังมีอะไรนวงนองอยู่นึกออกใช่ไหมคําว่าหนวงนองเนี่ยค่ะอันเนี่ยนี่คือได้เห็นความแตกต่างแล้วพอเห็นความแตกต่างอย่างนี้ไปเรื่อย มันจะรู้สึกว่ามีเป้าหมายว่าแต่ละครั้งเนี่ยเห็นกระทบไปแล้วจะเห็นอะไรต่อไม่งั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเหมือนกับบอกตัวเองว่าเห็นแล้วงงๆไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงต่อคือบางทีมันผ่านไปเร็ว แล้วพอใจเรามันว่างๆเฉยๆอยู่เนี้ยนะบางทีคล้ายๆความสนใจหรือว่าไอ้ความโฟกัส hmm. ในสิ่งกระทบจริงๆเนี่ยมันมันน้อยลง <Hey. S 2> มันก็เลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. คือพอเราสนใจสิ่งภายนอกน้อยลงเข้ามาสังเกตภายในมากขึ้น mm hmm. สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือเราลดความสนใจไอ้าษกระทบภายนอกซึ่ง มันอาจจะทำให้เราไข้เขวะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยที่มันกระทบแล้วเนี่ยเรามีปฏิกิริยาหรือไม่มีปฏิกิริยากันแน่ถ้าเราสังเกตบ่อยเกินไปบางทีมันก็มีผลให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือถ้ามันไม่ได้มากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นดีเป็นร้าย ก็ยังไม่ต้องไปสนใจแต่ให้มันสนใจเนี่ยดูว่าใจของเราในแต่ละขณะเนี่ยมันเบาอยู่หรือว่ามันหนักอยู่ในแต่ละลมหายใจมันแตกต่างกันยังไงนะอย่างนี้เรียกว่ามีที่ตั้งของการเจริญสติอยู่แน่ๆไม่ได้หายไปไหนแลพอมีกระทบเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็จะได้สังเกตต่อว่าอารมณ์ทางใจมันตุ้งแต่งมากหรือน้อยในแต่ละลมหายใจนะที่มัน ที่ลมหายใจแตกต่างกันการปรุงแต่งของเราแตกต่างไปด้วยไหมตรงนี้มันจะได้มีความชัดเจนว่าเราเห็นอะไรอยู่แน่ๆว่ามันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่งั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมามันเลยกลายเป็นว่าเราเห็นไม่จริงทั้งๆที่เราเห็นอยู่ แต่เหมือนกับไม่ได้อะไรจากการเห็นมันก็เลยเหมือนกับเห็นไม่จริงนะก็ไม่มีอะไรอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติอมอะค่ะเมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิชุ่มชื่นใช่ไหมรู้สึกชุ่มชื่นใช่ไหม จำความชุ่มชื่นไหนวะรู้สึกเบารู้สึกนเนี่ยพอ พ, พอถามอย่างเงี้ยหลงแล้วจริงๆมันก็มีความชุ่มชื่นเกิดขึ้นเป็นละลอกระลอกทั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธินึกออกใช่ไหมย mm hmm. อย่างคุยกับพี่อยู่อะคือนั่งนั่งคุยไปเรื่อยอ่ะมันมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเฉยเฉยเห็นไหมนั่นคือตัวอย่างว่าถ้าทําสมาธิได้ มันจะมีความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาหล่อเลี้ยงสติคือมันจะทำให้เรามีกำลังใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยผลักดันให้อยากจะเดินสตินี้ถ้าเรานั่งอยู่ไม่ว่าจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ว่าจะออดูลมหายใจหรือเปล่าไม่ว่าจะ อ, อกําลังจะกําหนดว่านี่ฉันกําลังเจริญสติหรือไม่เจริญสติก็แล้วแต่พอมีความชุ่มชื่นแบบนี้ขึ้นมามันเป็นเครื่องหมายให้นึกออกว่าเออนี่ตอนนี้เรากําลังรู้ภาวะอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะภาวะแบบนี้ไ อ, อ้ความชุ่มชื่นแบบนี้มันมาจากการเจริญสติพอความชุ่มชื่นแบบเดียวกันมันมันย้อนกลับมาปรากฏใหม่ได้มันก็เตือนเราได้เข้าใจพอยใช่ไหมอ่าเนี่ย นะทำทำอนาปนานสติไปอย่าให้ขาดคือแม้กระทั่งว่าลืมตาหรือหลับตาเนี่ยเราดูอยู่เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งไอความชุ่มชื่นเนี่ยมันมา อ, อ, อยู่เรื่อยๆเช่นกันแล้วเราก็ไม่ใช่ยึดเอาความชุ่มชื่นนี้โดยความเป็นที่ตั้งของสิ่งน่ายินดีนะแต่เอาความชุ่มชื่นนี้เป็นตัวกำลังกระตุ้นให้เกิดการนึกถึงการเจริญสติ แล้วก็ได้เห็นว่าความชุ่มชื่นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นละลอกละลอกเห็นไหมแล้วมันก็หายไปเป็นระลอกระลอกเช่นกันนี่มันมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดเวลาคือไม่จําเป็นต้องไปรอสิ่งกระทบจากภายนอกเสมอไปไอ้ภาวะทางใจภายในเนี้ยนี้ตัวเนี้ยดีที่สุดเลยถ้าหากว่าเราสามารถเห็นได้เรื่อยๆนะก็ให้ดูความชุ่มชื่นเป็นหลักใช่ไหมคะไม่ถึงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลักแต่ให้สังเกต เมื่อกี้พอพอนั่งสมาธิเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นใช่ไออกมาเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระลอกระลอกอะไรที่มันปรากฏเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่มันปรากฏเป็นของเด่นให้เอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราเจริญสติเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตให้เราสังเกตว่าเออสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันผ่านเข้ามาแล้วสิ่งนั้นมันจะผ่านไป เมื่อไรว่ราอย่างอย่างไอ้ที่มันขึ้นมาเป็นละล่องละล่องเนี่ยมันขึ้นมาแป๊บเดียวมันเหมือนมันเหมือนสายน้ำเย็นน่ะผ่านวาบเข้ามาแล้วมันก็หายไปเห็นไม้มคือนเนี่ยเป็นภาวะเด่นแต่ถ้าเราไม่สังเกตไม่ฝึกสังเกตนะมันก็จะผ่านไปเฉยเฉยโดยไม่มีประโยชน์เหมือนกับไม่ได้ใช้การไม่ไม่รู้จะเอามาใช้การอะไร ในทางตรงข้ามคือถ้าเราไปเค้นเราไปรีดขอให้มันจงเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ได้ไอความชุ่มชื่นแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับเอาแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วมันผ่านเข้ามาเองแล้วก็ผ่านไปเองข่าจปล่อยนะอาค่ะขอบคุณค่ะค่ะ สวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะก็ในช่วงที่มีการทำสมาธิเพื่อเริ่มต้นก็ในช่วงแรกเนี่ยรู้สึกเบาสบายค่ะแต่พอผ่านไปได้สักพักหนึ่งจะรู้สึกว่ามีภาพวิ่งอยู่ในในหัวตลอดเหมือนกับมีใครมาฉายหนังให้ดูซึ่งส่วนมากจะเป็นเรื่องเดิมๆ เ, เรื่องเก่าๆ เ, เรื่องที่เป็นกิจวัตรที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ใจนึงก็เกิดการดึงกลับว่า อย่าไปนึกถึงแล้วเหมือนกับใจเนี่ยมันต่อสู้เองแล้วมันก็เกิดความหนักหนักอยู่ในใจ ค, ค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งพอทำใจให้เบาสบายมันก็มีภาพกลับมาวิ่งฉายอยู่ในหัวเหมือนเดิมค่ ะ, คะ <C oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คือตรงนี้เนี่ยดีเลยมันชัดเจน <C oughs> เป็นเครื่องสะท้อนว่า ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันมันมีอะไรวิ่งอยู่ในหัวอยู่ตลอดนะมันเหมือนกับเราบางทีเนี่ยอยู่เฉยเฉยบางทีอยู่เฉยเฉยก็มีอะไรวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในหัวความคิดความคิดถึงเรื่องเก่าๆความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันมันมีความความวกวน อยู่ค่อนข้างมากนะแต่บทจะสงบบางทีมันก็สงบสงบของมันเองโดยที่คือไม่ได้ทําอะไรก็บางทีก็ไม่เข้าใจว่าบทยังสงบมันสงบไปเฉยแต่บทจะมีอะไรวิ่งวิ่งวุ่นๆุ่นขึ้นมามันก็เข้ามาอย่างนี้เนี้ยมันสะท้อนนี่เรามาทําสมาธิมันเหมือนกับภาคขยายภาคขยายความจริงเวลาสงบมันก็สงบนาน เวลากลับมาวิ่งวุ่นเนี่ยมันก็หมุนติ้วอยู่ในหัวเนี่ยนะมันคราวนี้มันหมายเห็นเป็นภาพเพราะว่าเราหลับตาอยู่ก็เหมือนกับคนหลับปันเนี่ยสาระประโยชน์ของการได้เห็นว่าบางครั้งก็นิ่งบางครั้งมันก็มีภาพวิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือได้เห็นว่าเออภาวะนิ่งก็ไม่เที่ยงภาวะที่มีภาพอะไรวิ่งวิ่งก็ไม่เที่ยงตอนแรกๆเนี่ย ที่เราถูกล่อด้วยภาพที่มันวิ่งบนหรือว่าด้วยความสงบชั่วขณะหนึ่งนี้นะมันจะไม่มีแก่ใจอยากดูความไม่เที่ยงมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรมารบกวนจิตใจหรือไม่ก็เออเนี่ยตรงนี้สบายเป็นความติดใจ ถ้าสงบก็ติดใจถ้าวุ่นวายก็คล่องใจขัดใจเริ่มต้นดูจากไอ้ตรงนี้ก่อนก็นได้สงบเมื่อไรเติดใจเมื่อนั้นมีอะไรวิ่งวิ่ ง, ว, งวุ่นวุ่วเมื่อไหร่เกิดความขัดใจเมื่อนั้นความขัดใจหน้าตาเป็นไงมันมีความคิดแถมเข้าไปอีกสมทบเข้าไปอีกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันวิ่งแบบนี้เลย อยากให้มันหยุดอยากกลับไปสบายแบบเก่ามันอาจจะเพราะว่าลักษณะการทำงานด้วยมันมีมันมีวิธีคิดแบบค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งหรือลักษณะงานที่เข้ามาบางทีมันอาจจะไม่มีลำดับ แล้วเราก็คิดแบบไม่เป็นลําดับตามไปด้วยคือไม่จัดความสําคัญวันนี้จะคิดเรื่องนี้ก่อนให้จบให้เสร็จทีเดียวมันมันคิดแบบกระโดดไปกระโดดมาคือมีความว้าวุ่นใจในการทํางานนะทำทำอย่างหนึ่งยังไม่เสร็จเนี่ยใจไปคล้องใจไปพวงโยกับงานอื่นหรือไม่ก็จุกจิกเรื่องคนนะแเหมือนการมีแมงหวีแมงวัน มาตอมอ่ะนึกออกไหมอไอเราเราอยู่เราทำงานอยู่เนี่ยเราอยากมีสมาธิแต่คล้ายๆมีการรบกวนเข้ามาอยู่เป็นระยะๆะะอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ถูกรบกวนเราจะเกิดความำาํำคาญแล้วก็งดหงิดเกิดความรู้สึกขัดเคืองมันก็เลยกลายเป็นสะสมนิสัยทางจิตพฤติกรรมทางจิตว่า เรานิ่งไม่ได้นานเนี่ยก็จะมีความว้าวุ่นขึ้นมาการฝึกสมาธิช่วยได้นะมาฝึกอนาปานสติอย่างนี้เนี่ยเราสังเกตว่าเราไม่สามารถจะไปควบคุมความวา้วาวุ่นได้แต่เราสามารถเห็นความไม่เที่ยงของความว้าวุ่นได้แล้วใจมันใจเรียนลงคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับลึกๆ เรารู้สึกอยู่ว่าเราน่าจะเป็นคนใจเย็นแต่จิตมันร้อนมันกระวนกระวายมันเหมือนคนใจร้อนคือเราจะงงว่าตกลงเนี่ยเราเป็นคนใจร้อนหรือว่าใจเย็นกันแน่ที <c oughs> นี้ถ้าพอฝึกอาณาปานสติไปแล้วเราไม่คาดหวังคือมีแต่การยอมรับอยู่ว่าขณะนี้วาวุ่น ขณะนี้สงบไม่รอภาวะไหนเลยเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้ใจเย็นอย่างแท้จริงคือใจเย็นไม่ใช่ว่าใจเย็นเพราะว่าเรานิ่งอยู่ได้แต่ใจเย็นเพราะว่าเราเห็นทั้งความนิ่งและความมุ่นวายเนี่ยมันจะต้องหายไปเสมอเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเย็นจริงเพราะถ้าเราใจเย็นเพราะเห็นความนิ่งอยู่เนี่ยนะ พอมันไม่นิ่งมันก็ร้อนแล้วมันเปลี่ยนเป็นร้อนทันทีมันมีความขัดกันเยอะนะข้างใน ข้างในแล้วก็ความคิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีใจข้างในลึกๆเนี่ยมันเหมือนจะใช้ชีวิตสงบสงบเรียบๆแต่บางทีมันก็มีไอ้ภาวะอะไรที่ทำให้ความคิดมันกระเจิงกระเจิดกระเจิงไปทำไม่อยากโน่นอยากนี่มันมันดูมันซับซ้อนเนี่ยก็ช่วงนี้จริงๆก็ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟังซีดีก็คือขับรถไปด้วยแล้วก็ตอนเช้าเปิดซีดี เสียด้คนตายไม่ได้อ่านนะคะพอดีพี่สาวให้มาฟังแล้วก็พยายามฝึกตัวเองะคะ่ะให้กําหนดรู้จิตใจตัวเองสภาพความรู้สึกของตัวเองว่าภาะวะตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงทีนี้รู้สึกว่าเวลาที่เรามีสติเนี่ยได้ผลตรงที่เวลามีเพื่อร่วมงานมากระทบหรือว่าคนแวดล้อมลูกค้ามากระทบอะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์มันจะพุ่งค่ะก็คือรับรู้ได้ว่ามันโกลงค่ะมะแต่สักพักหนึ่งพอเรารู้สึกตัวว่าไม่ได้ก็คือ พยายามเบาความรู้สึกลงก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทําถูกรึเปล่าอะค่ะโอเคคือต่อไปเนี่ยพอมีความลาคาญลําคาญคนเนี่ยนะลองสังเกตเราจะรู้สึกเหมือนแมงวีแมงวันมาตอมนึกออกใช่ไหมถ้าเราอยู่ในที่สบายๆแล้วเดี๋ยววิวีวีเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนอยากปัดไปให้พ้นๆอยากฆ่าให้ตายอะไรเงี้ยแมงวีแมงวันน่ะนะคนฆ่าไม่ได้ปิดคุก ลองดูว่าลักษณะความรำคาญมันเป็นโทสะที่เกิดขึ้นที่ก่อตัวขึ้นมาและ <c oughs> มันแตกต่างจากความสงบโดยเดิมนะแตกต่างจากความรู้สึกว่าเอออยากอยู่เรียบๆรียบง่ายง่าทำไมมันมีอะไรมาตอมมีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกว่าวุ่นซับซ้อนตรงนั้น มันจะทำให้ระลึกได้ว่าเออภาวะแบบนี้ก็เจอในสมาธิเหมือนกันอย่างที่คุณบอกมีความรู้สึกเหมือนกับมีภาพอะไรวิ่งวิ่งอยู่ในหัวมันก็ไม่แตกต่างกันมันน่ารำคาญเหมือนกันเห็นไหมนี่มันเป็นภาวะที่สะท้อนสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่พอเราได้ ตัวอย่างแบบฝึกหัดในขณะที่จเจริญอาณาปนานสติเราก็าเอาไปใช้ในชีวิตจริงกล่าวคือเมื่อเกิดความรู้สึกรำคาญหวาวุ่นอะไรขึ้นมาเราก็ดูเทียบเมื่อลมหายใจนี้มันหวาวุ่นแค่นี้ลมหายใจต่อมามันหวาวุ่นน้อยลงหรือว่ามากขึ้นดูดูเปรียบเทียบไปเรื่อยๆอย่างนี้ โดยไม่ต้องหลับตาแล้วมันจะค่อยๆเห็นว่าเออเนี่ยพมไม่คาดหวังมันแสดงความไม่เหมือนเดิมในแต่ละลมหายใจอยู่เรื่อยๆตรงนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ อ, เ, อ, อเราทำได้พอรู้สึกว่าเราทาได้เนี่ยมันจะมีกำลังใจทำไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆว่าเออไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยทั้งภาวะว้าวุ่นภาวะราคาญ หรือแม้แต่ลมหายใจเข้าออกจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีเนี่ยมันต่างไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจเสมอแล้วลองดูว่าตอนใจเราส ง, งบมันเหมือนคนใจดีแต่พอมันเปรี้ยงป้างขึ้นมามันเหมือนคนใจร้ายเวลาคิดไม่ดีมันมันแตกต่างกันเลยนะคิดไม่ดีกับคนเนี่ย อยากเอาให้ตายีอะไรแบบนี้นะมันบางทีมันคิดขึ้นมแาบบคือไม่ได้คิดจริงอะ่ะแต่มันคิดขึ้นมาเป็นแบบประมาณว่าทำให้ตายได้นี่ทำแล้วโดยพรไอ้ประเภทที่มันกวนโอยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีแวบๆขึ้นมาเป็นบางอารมณ์อารมณ์เพชฌาด มันเหมือนอารมณ์หลอกหลอกแต่ว่าอารมณ์หลอกหลอกตรงนั้นเนี่ยดูเข้าไปลึกๆนะดูเขาดีๆนะดูเข้าไปดีๆนะถ้ามันทําได้มันทํานะเข้าใจอารมณ์ที่มันเป็นโทสะไหมมันมันเป็นอารมณ์เบเชคาตอะ่ะมันเหมือนเล่นๆแต่ถ้าหากว่าส่องเข้าไปอจิตของเรามันมีความรุนแรงอยู่คือมันมันได้เห็นไง ระดับความรุนแรงของโทสะว่ามันมากหรือน้อยแค่ไหนคือใจใจจริงๆอ่ะรู้ตัวอยู่ไม่ทำหรอกแต่ความคิดที่มันผุดขึ้นมาตามอำนาจโทสะอำนาจบรรดาลของโทสะบางทีมันคิดอะไรก็ได้มันอยากอะไรก็ได้จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองเอาไปปฏิบัติดูแล้วก็ยังไงจะมารายงานผลในครั้งหน้าขอบคุณค่ะครับผมผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะครับอย่างเวลาที่อารมณ์ของเราเป็นแบบไม่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์หรือสุขเวลาได้ยินหรือว่าเห็นก็รู้สึกเฉยเฉย ไม่ทราบว่าอารมณ์แบบนี้มันเป็นอารมณ์ยังไงครับผมพระพุทธเจ้าจําแนกความรู้สึกไว้เป็นสามพวกใหญ่ๆคือมีความรู้สึกยินดีเป็นสุขมีความรู้สึกยินร้ายเป็นทุกข์มีความบินาด แล้วก็อีกความรู้สึกคือไม่ยินดียินร้ายเรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาตัวอทุกขมสุขเวทนานี้เราดูว่าเออมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจะชื่นใจก็ไม่ใช่สบายก็ไม่ใช่นะ่จะอึดอัดหรือว่าเกิดความรู้สึกดังเกียดเดียดฉันมันก็ไม่เชิงมันมันมีแต่ความรู้สึกเหมือนอยู่เฉยเฉยยืนอยู่นิ่ง ไม่เหือไม่เออไม่มองซ้ายไม่มองขวาตัวความรู้สึกไม่เย็นดีเย็นร้ายรู้สึกเฉยเฉยนี่ก็ยังมีแยกย่อยออกไปบางทีมันมาจากจิตที่มีคุณภาพดีระดับหนึ่งแล้วนะ มันมันมีความเฉยในแบบที่เป็นปัญญากาจิตอีกแบบหนึง่งคือจิตธรรมดาธรรมดาที่บางครั้งมันรู้สึกไม่อยากเอาอะไรไม่อยากโน่นไม่อยา ก, ไ ม, ยากไม่อยากซ้ายไม่อยากขวาไม่อยากโน่นไม่อยากนี่อย่างของคุณเนี่ยบางครั้งที่รู้สึกเฉย มันเป็นความรู้สึกเฉยๆที่ออกมาจากความไม่สนใจไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวมันคล้ายๆว่าลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับเห็นตัวเองอยู่คนละโลกกับคนที่มีอยู่ทั่วไป ถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราแยกตัวออกไปเป็นดังหากเนี่ยนานพอสมควรได้นะคือมันมันจะมีความนิ่งแบบหนึง่งที่เรารู้สึกว่าเอะเนี่ยมันมันเป็นอีกภาวะหนึง่งที่ไม่เหมือนใครในนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านให้ดูเนี่ย ท่านให้ดูว่าแม้กระทั่งความรู้สึกว่าหลุดออกจากโลกพ้นไปจากโลกมันก็เป็นแค่ภาวะของจิตเป็นความปรุงแต่งทางจิตชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งคําว่าแป๊บของพระองค์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้นะอาจจะนานแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ขอให้สังเกตว่าเดี๋ยวมันก็กลับมา กลับมาคิดอะไรแบบโลกโลกใหม่นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานว่าความรู้สึกที่พ้นออกไปจากโลกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงของชั่วคราวตราบใดมันยังตกกลับมาสู่ภาวะแบบโลกโลกได้ภาวะแบบนั้นไม่เที่ยงต้องนับว่าไม่เที่ยงแล้วไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันอยู่นานแค่ไหน นี่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับคุณไปมีความยินดีกับภาวะนั้นอยู่พอสมควรนะแล้วมันเหมือนสะสมกำลังที่จะรักษาความนิ่งแบบนั้นมานานพอสมควรมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นเข้าไปอยู่กับความพอใจตรงนั้นเนี่ยเต่ายัง มาสร้างความพอใจใหม่ได้คือทําความเข้าใจว่าภาวะนิ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะนานแค่ไหนจะตั้งอยู่นานแค่ไหนก็ตามในที่สุดแล้วมันก็จะตกกลับมาคิดอะไรแบบโล่งๆ ล, ลองสังเกตนะบางทีมันเหมือนกับว่างๆไม่มีความคิดอะไรเลยอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่พอมันตกกลับมา คิดอย่างน้อนอย่างนี่แบบโล่งๆมันกลายเป็นฟุ้งซ่านเหมือนมีอะไรยุ่งอยู่ในหัวยุ่งเหยิงอยู่ในหัวไปหมดเต็มไปหมดคล้ายๆว่าตอนแรกเนี่ยมุงหลังคาไว้ดีฝนตกลงมาไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่พอหลังคาเปิดปุ๊บเนี่ยมันรั่วเข้ามาอะไรก็ไม่รู้นี่สแสดงให้เห็นว่าภาวะตรงนั้นยังไม่ใช่ภาวะของสมาธิที่มีคุณภาพจริง พอเราพิจารณาเห็นว่าไอ้ภาวะแบบนี้เนี่ยหมดไปเมื่อไหร่หายไปเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นความพุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงมันก็จะได้มีแก่ใจสังเกตแล้วก็ปลูกฝังความพอใจใหม่คือมาดูความไม่เที่ยงดีกว่าที่ผ่านมามันมีความพอใจที่จะล็อกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้วพอภาวะแบบนั้นพังมันก็เหมือนกับทำนบแตกเขื่อนพังเนี่ยน้ำก็เข้ามานะ ไปอช่วงช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มาสองสามครั้งเนี่ยมันก็ต่างไปแล้วนะมันก็เริ่มต่าง <assets. S 1> คือเวลาที่ความพุ้งซ่านมันกลับมามันกลับมาไม่มากเท่าเดิม <evet. S 1> แต่ก่อนพอความฟุ้งซ่านมันกลับมาสังเกตเห็นไหมคือบางทีมันไม่ใช่ความคิดของเรามันเหมือนมีความคิดอะไรปะปนมั่วเข้ามาหมดแล้วเหมือนไม่ใช่ตัวเราเป็นคนคิดนี่ยแต่นี้มันมัน พอมีความพุงสั้นแล้วเรายัางเป็นตัวของตัวเองอยู่แลวแลวแลวเริ่มเห็นเห็นว่ามันมีกลุ่มก้อนความคิดความพุงสัน้นแล้วก็ค่อยๆเบาบางลงคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่รบกวนเราอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนของคุณมัน เ, เป็นสภาพปรุงแต่งจิตชนิดแปลกแยกมันแปลกแยกออกจากโลกน่าจะรู้สึกเหมือนกับว่า มันไปมีความรู้สึกด้วยอ่ะคล้ายๆว่ามีการเชื่อมต่อกอีกมิติหนึ่งอะไรแบบนี้นนะที่มันที่มันแตกต่างไปมันก็เลยมีความพอใจแต่ถามว่าเอาง่ายๆเลยถามตัวเองง่ายๆเลยว่าไอ้ความพอใจตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความปุ้งซ่านหรือเป็นไปเพื่อความสงบมันบอกตัวเองได้เลยนะว่ามันปุ้งซ่านไปกระเจิดกระเจิงไปเปรียบเทียบกับตอนเนี้ยที่ เราค่อยๆเข้ามาดูค่อยๆเข้ามาเห็นค่อยๆเข้ามาศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความพอใจที่ อ, อมันเป็นของจริงอะ่ะนี่ยอย่างความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นคนธรรมดาที่มันมีความพร้อมที่จะ ทุกน้อยกว่าคนทั่วไปคือมันมีเหตุของความเป็นอิสระอย่างอุบาทานเหตุนั้นก็คือเราเราเห็นความจริงเห็นความจริงธรรมดาธรรมดาแต่เดิมมันไขว้คว้าอะไรที่มันพิเศษวิเศษมันลงเอยตรงความปุงสัน้นบางทีอย่างก่อนจะนอนเนี่ย ชแต่ก่อนนะบางทีคุณจะรู้สึกเหมือนมีกำลังอะไรไม่รู้กำลังออกมาคลับดันน อ, อกมาจากข้างในมีกำลังมากอะ่ะแต่เป็นกำลังมากในแบบที่ทำให้นอนไม่หลั บ, บใช่ไหม ม, มันเหมือนจะต้องทำอะไรแล้วยังทำไม่เสร็จทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีภาระเหมือนมีอะไรที่เรายังต้อง จัดการมันเป็นบ่อยมากเลยอ่านั่นนะนั่นแสดงให้เห็นว่าการพยายามที่จะอยู่กับมิติอื่นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความทุกข์คนที่มีความสุขเนี่ยต้องนอนสบายไม่ได้นอนแล้วมันมีความดิ้นไปดิ้นมาคือคือร่างกายไม่ได้ดิ้นน ะ, ะแต่เราจะรู้สึกเหมือนข้างในเนี่ยมีกำลังใหญ่ๆอะไรอย่างหนึ่ง ที่มันต่างจากมนุษย์เนี่ยมันมันผิดจากธรรมด า, าซึ่ ง, ง, งนี่ไงก็คือมาปลุกฝังความพอใจใหม่ที่จะเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่จะเห็นความไม่เที่ยงของอาการพุ่งสร้างแล้วก็ไม่ไปอยากล็อกล็อกไว้อยู่ในสภาพที่มันเฉยเมยกับโลกธรรมดาเลิกที่จะล็อก ตัวเองเข้ากาอะไรอีกมิติหนึ่งที่มันพิเศษหรือวิเศษวิโสกลับมาเป็นคนธรรมดาที่มันเป็นอิสระจากทุกข์ดีกว่าที่คุณฟังมาแล้วก็ที่มาเจริญอาณาปานสติด้วยกันนียมันละลายไปได้เยอะแล้วนะแต่อย่างลองสังเกตเนี่ยตอนแ ร, แรกๆที่ ทำอนาปาณสติมันจะมีใจต่อต้านคือหมายความว่าไอ้ความที่จะยอมรับสภาพว่าตรงนี้มันปุ้งสัน้นตรงนี้มันส ง, งบตรงนี้ไม่ส ง, งบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีใจฝืนอยู่เพราะเราต้องการที่จะล็อกล็อกอยู่กับภาวะอะไรที่มันดูวิเศษกว่านั้นแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มเข้าถึงไอ้ ภาวะที่จะยอมรับความสามารถที่จะยอมรับสภาพที่มันกําลังปรากฏที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆบางทีมันฟุ้งซ่านอยู่ก็จริงนะแต่เรามีความสามารถที่จะยอมรับตรงนั้นได้แต่ก่อนมันยอมรับไม่ได้ไงมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราต้องตู้กับมัน เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเจริญเจริญอาณาปานสติปไปแล้วก็ดูไปในระหว่างวันเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเกิดแรงอัดหรือว่ามันมันจะกลับมาอีกอพวกแรงอัดพวกอะไรงนะเงี้ยนะแต่ว่าก็มองไปว่าตอนนี้อัดมากลมหายใจนี้อัดมากนะอาจจะลมหายใจต่อมายังอัดมากอยู่ <c oughs> แต่สิบลมหายใจต่อมามันจะเริ่มแสดงความไม่เที่ยงจะมากขึ้นหรือจะเข้มข้นขึ้นหรือเบาบางลงก็แล้วแต่ เราเห็นโดยความเป็นกล่องไม่เที่ยงพอ เ, เห็นว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จิตจิตจะเป็นอิสระขึ้น <c oughs> ครับอยากจะถามอีกคาถามหนึ่งนะครับอย่างชายหญิงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับพอมาเจอกันครั้งสองครั้งแต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปแล้วก็ถ้ามันเจออย่างนี้อีกวิธีการแก้ไขจะทำยังไงครับผมในแต่ละวันมันก็มีแรงเบี่ยงให้เราไปเจอโน่นเจอ น, นีนะ่ทีนี้ตามหลักของพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าถ้าเราถูกเวี่ยงไปกระทบอะไรนะ ท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าพิจารณาว่ายึดแล้วหรือว่าพยายามที่จะรักษาไว้แล้วเนี่ยมีอกุศลธรรมเจริญขึ้นก็ให้รู้ตัวเร่งรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆตัดไปแต่ต้นลมแต่ถ้าหากว่าไปกระทบแล้วไปคบหาแล้วมันมีกุศลธรรมเจริญขึ้น อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าคิดจะต่ออายุ <c oughs> ความสัมพันธ์นะนคือพูดง่ายๆดูว่ากุศลธรรมหรือว่ากุศลธรรมที่มันจเจริญมากกว่ากันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นทุกข์ก็ครับผม <c oughs> วันนี้มันคอมันเป็นยังไงไม่รู้ถ้าเราเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นทุกข์ สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเราเลือกทางที่มันจะทำให้รู้สึกสบายขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะเพราะว่าการเลือกเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับตอนที่เรารู้สึกถึงความทุกข์หรือความสุขนั่นแหละถ้ารู้สึกขึ้นมาได้เร็วมันก็ปล่อยได้เร็วและยังไม่มีปัญญะแต่ถ้ารู้สึกได้ช้า ตรงนั้นเนะี่ยบางทีมันสายเกินไปบางคน ใ, นใจอ่อนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรวันต่อวันเนี่ยคือมันเหมือนกับไม่มีอะไรวันต่อวันแต่มันค่อยๆค่อยๆลงลึกเข้าไปเรื่อยๆจนทั่งพอถึงเวลาอยากถอนตัวมันถอนไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่ตุล น, นีโอกาสได้มาแล้วก็คำถามก็ก็ตั้งแต่เด็กมาจนโตมานี่ก็รู้สึกว่าจะเห็นรู้สึกว่ามันมีความทุกข์อยู่ตลอดจนได้รู้จักพระพุทธเจ้าก็คิดว่าการดับทุกข์มีจริงก็มีทั้งด้านสว่างด้านมืดมาตลอดทาดีแล้วก็ทำชั่วมาตลอดเหมือนคนทั่วไปจน ได้บวชได้เรียนได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เห็นทางที่มั่นใจว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงได้อ่านงานวิตุลไงครับผมไม่ว่าจะเป็นนิยายไม่ว่าจะเป็นงานเขียนต่างๆได้ฝึกปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานตั้งแต่ทุกอย่างที่วิตุลเขียนไว้แล้วก็ได้เห็นสิ่งเดียวกันก็คือ ทุกอย่างมันจบลงที่ความเปลี่ยนแปลงปฏิบัติทั้งหมดทุกวันนี้เหมือนกับว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาบางทีก็ยังคิดว่ามันเป็นความคิดบางทีก็รู้สึกว่ามันรู้สึกจริงๆว่านี่มันคืออนัตตาแล้วก็จนได้ปรึกษาคับพี่ตุนในไลน์ก็เริ่มมีความคิดว่าไม่แน่ใจในมุมมองของตัวเองว่า มันถูกต้องมันนั่นหรือเปล่าเลยอยากฝากพีพ่ตูนในแง่ของการปฏิบัติธรรมแล้วก็การประคองใิตใ <น S 1> มันเป็นอุเบกขา<ล>จริงมากขึ้นนะเวลาที่เรารู้สึกเป็นอุเบกขากับการเห็นว่ามันไม่เที่ยงว่ามันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่ได้คิดเอาแต่ก่อนมันเห็นมันเห็นก็จริงแต่มันเห็นแบบคิดเอามันไม่ได้เห็นเพราะว่าจิตเนี่ยเข้าไปมีส ต, ติแล้วก็รู้สึก ถึงความเป็นอนิจจังรู้สึกถึงความเป็นอนัตตาแต่ตอนนี้เวลาที่มันเห็นอย่างอารมณ์โกรธเนี่ยใคล้าๆอารมณ์โกรธมันอยู่ข้างนอกแล้วเข้าไม่ถึงจิตน่าจะรู้สึกว่าอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นสิ่งถูกมองแต่ก่อนเนี่ยมันโกรธมันโกรธจริงโกรธอยู่ข้างในแล้วพอเราไปข่มใจ นึกว่าเอาชนะมันได้แล้วเนี่ยก็เห็นมันไม่เที่ยงหรือว่าเป็นอนัตตาแต่นั้นคิดเอาประมวลเอาในย่างตอนนี้มันเหมือนกับมีระยะห่างระหว่างจิตของเราความโกรธมันโกรธอยู่รอบๆนั่นเพราะว่าเริ่มทำสมาธิแล้วมันก็มีกำลังมันมีกำลังของความเป็นอุเบกขามากขึ้นแล้นเราจะรู้สึกว่าจิตเวลาที่มันสว่าง หรือว่ามีแล้สมีเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันเกร่งกําลังเอามันเหมือนหนังจีนกําลังภายในเนี่ยเราไปเกร่งมาไปหึดให้ให้มันนิ่งแต่ตอนนี้เวลาที่มันว่างมันจะมันนิ่งเนี่ยมันจะว่างมันจะมันจะสว่างมันจะเบาเข้าใจจ้ะ นันแสดงว่าทำสมาธิก็มาถูกทางแล้วแต่เนื่องจากของป้องเนี่ยมันทําสมาธิแบบเกรงกําลังมานานมันยังมีอยู่ยังมีที่ตกค้างอยู่เยอะอย่างเมื่อกี้นี้พอนั่งสมาธิไปเนี่ยมันก็มีความกดมีมีอาการกดให้นิ่งอยู่เราจะรู้สึกได้แต่มันก็จะมีบางช่วงรู้สึกสว่างสบาย ที่เราต้องไปทําให้เกิดความเคยชินใหม่ก็คือว่าเวลาเกิดความพุ่งซ่านหรือว่าเวลาที่จิตมันว้าวุ่นมันจะเหมือนมีอาการคล้ายๆขันขันเกลียวอะ่ะที่รู้สึกมันแน่นขึ้นมานอย่าไปรีบร้อนใจมันจะอดอยากไม่ได้อยากให้คลายอยากให้คลายเดียวนั้นคือแค่ตั้งสติไปนับไปว่าลมหายใจนี้มันมันควันเกลียวมาแค่นี้ ลมหายใจต่อมามันคลายออกไหมเนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้พอฟังพี่พูดไปมันนึกออกถ้ารอดูเฉยเฉยมันคลายออกเองแต่ถ้าไปอยากนั่นไอ้ตัวความอยากที่จะให้หายไปน้มันไปเสริมให้มันขวันเกลียวแน่นขึ้นเรารู้กลไกของจิตตัวเองแบบนี้ว่ามันยังมีความอยากอ ย, กอยู่อยากให้มันคลายอยู่ตลอด แล้วพอมันควันเกลียวขึ้นมาก็อดไม่ได้เนี่ยมันจะได้เห็นที่ตั้งของความอยากใจเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันอยากจะให้จิตสบายอยากจะให้จิตเป็นอิสระอยากจะให้จิตหลุดพ้นอย่างของเราเนี่ยมันท้องมานานนุกเมื่อเช้าวันนะอยากอยากจะหลุดพ้น แต่มันก็เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งแหละที่ก็สร้างเหตุแห่งความยึ ด, ย, ดยึดนนยึดนี่บางทีมันรู้ทั้งรู้แล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดความขัดแย้งกับตัวเองเกิดความรู้สึกฝืนใจกับตัวเองไม่ตกลงเนี่ยเราทำตามที่มันอยากจะหลุดพ้นหรือว่าทาสวนทางกับที่มันจะได้หลุดพ้นกันแน่ ตอนเราพอมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้จำไว้เลยนะเวลานั่งสมาธินี่มันจะมีอาการเหมือนแน่นๆขึ้นมาเพราะใช้ชีวิตแบบที่มันขัดแย้งมันไปปรากฏชัดเป็นหลักฐานตอนนั่งสมาธินั่นแหละอย่นี้ถ้าตอนนั่งสมาธิคือเราไม่ได้ไปสนใจทำลายต้นเหตุอะไรที่ไหนนะแต่เห็นอาการคลอนเกลียวของจิตเนี่ย ลมหายใจหนึ่งมันควันมากอีกลมหายใจต่อมามันน้อยลงหรือจะมากขึ้นช่างมันดูไปเรื่อยๆแล้วจับให้ได้ไลให้ทันเมื่อไรมีความอยากเราเห็นนี่ต้นเหตุของอาการที่มันจะควันมากขึ้นมันมันจะเขม็งเปลียวมากขึ้น่ยตัวนี้คือจะเป็นสาเหตุ ดูไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ความสามารถของจิตมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอุเบกขามากขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งในเวลาไม่นานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออไออารมณ์ที่มันขัดแย้งกับตัวเองไออารมณ์นี่มันเหมือนกับมีการขวัญเกลียวแน่นเนี่ยมันไม่กลับมาเกิดอีกหรือเกิดขึ้นก็นนานๆที ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยความโกรธมันจะอยู่ห่างออกไปอีกเราจะรู้สึกได้ว่าออพอเกิดความโกรธ อ, อะไรกัดเคืองอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะดวงมาจิตจากจิตที่ว่างที่วางเฉยโกรธมันโกรธ อ, อยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็เห็นว่าโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างนอกได้ห่า ง, างมันก็หายไปห่า ง, หางให้ดูเหมือนกันคือทุกวันเนี่ย มันเหมือนเราจะตับสอนอยู่ <c oughs> คืองงงงอยู่นิดนึงเมื่อความโกรธมันอยู่ห่างๆเดี๋ยวว่าข้างในเนี่ยมันก็แน่นๆน่นแล้วจะแยกไม่ถูกเอาเอ๊ะมันตกลงเนี่ยเราเห็นอะไรกันแน่มันเหมือนข้างในสว่างแต่มันก็ยังปนปนมืดๆอยู่ไอ้ที่มืดเนี่ยมันมืดมาจาอาการที่จิตมันขัดแย้งนั่นแหละ ที่มันแน่นๆจิตเนี่ยพอมันปิดเนี่ยนะมันจะมืดเสมอแหละแต่ถ้ามันเปิดมันเป็นอิสระมันสบายเนี่ยมันจะสว่างแล้วถ้าสว่างแบบประพัฒนสอนเลยก็คือว่าใจเราเนี่ยเป็นอิสระไม่มีมณทินอากกิเลสนี่ตอนนี้มันจะรู้สึกมั่วๆปนกันยุ่งเหยิงไม่หมนเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวรู้สึกคลาย เดี๋ยวรู้สึกเหมือนกับมันความโกรธไม่ใช่ของเรามันอยู่ข้างนอกใจเราไม่ได้โกรธแต่จริงๆมันก็มีความทุกข์จากไอโทสะเนี่ยมันบนเงินมั่วไปหมดดูไม่ออกแต่ถ้าเดี๋ยวลองไปฟังอีกทีในเทปจุดหลักเลยก็คือที่จะต้องโฟกัสเวลาเกิดความอยากให้อารมณ์ที่มันแน่นๆหายไป ให้รู้ว่าอารมณ์อยากนั้นแหละคือต้นเหตุให้เกิดความแน่นมากขึ้นแทนแทนที่มันจะหายไปไม่ใช่ฮะมันยิ่งเป็นหนักขึ้นอย่างตอนนี้ที่มันเบามันเบาด้วยความเข้าใจเห็นมมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอะไรที่มันแน่นน้อยลงแล้วก็ให้หดัดสังเกต แต่แลรารมหายใจมันไม่เท่ากันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอย่าใจร้อนของเรามันจะใจร้อนอยากให้หายไปในทันทีบอกตัวเองว่าถ้าใจร้อนเมื่อไหร่ความทุกข์มันมาเมื่อนั้นแล้วมันจะอยู่ไม่ไม่ไปไหนแต่ถ้าเราใจเย็นเราจะเห็นไปเรื่อยๆว่าเออเนี่ยเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปมันไม่ต้องหลุดพ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้มันรู้สึกว่า ถึงยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงได้ความสามารถในการเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละหน่าพอใจมากกว่าความคาดหวังว่าจะหลุดพ้นให้ได้เดี๋ยวนี้จะถามอะไรแล้วเวลาทุกวันนี้เวลาดูตามหลักโคชงเจ็ดกับที่พี่ตุลสอนให้ดูขันอะไรเงีครับผม มันเหมือนกับมันมันเป็นความคิดหรือเปล่าเริ่มตอนแรกมันต้องเป็นความคิดว่าเห็นเป็นลูกคือสติของเราเนี่ยถ้ายังไม่เป็นอัตโนมัตินม็กมันยังเจริญโนพูดชงไม่ได้หรอกอันนี้มันยังไม่เป็นอัตโนมัติครับผมสติมันยังต้องประกอบด้วยความคิดตั้งใจดูอยู่ต่อเมื่อเรารู้สึกเเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนั่นมันยอมรับไปเองทุกอย่าง แล้วไม่มีอาการฝืนไม่มีอาการบังคับเลยตัวเนี้ยถ้าถ้าไปถึงจุดนั้นเนีพชงมันถึงจะเริ่มเดินตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเอาตรงนั้นเหมือนอ ก, กับว่าอ่านอ่านมาหลายอย่างแล้วหยิบแต่ละอย่างที่มันเหมาะสมใน เวลาเ ช, เช่นเช่นเวลาอาบน้ำก็ดูเป็นปฏิกูลเช่นเวลาเดินก็ดูเป็นอิริยาบถอช่นอะไท่านในแง่นั้นเนี่ยก็ได้ครับผมก็คือว่าเราให้สถานการณ์มันสอนเราเป็นเรื่องๆแต่อย่าเพิ่งไปเปรียบเทีย บ, บในทางที่มันเป็นพชน์ชงเพราะว่าตัวพชน์ชงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยสติที่เป็นอัตโนมัติแล้วเสมอ ใครยังมีสติไม่เป็นอัตโนมัติเนะี่ยแล้วไปเทียบภาวะของตัวเองกับพจน์ชงนะมันจะกลายเป็นความอยากไปหมดเลยสรุปว่ารู้สึกตัวบ่อยๆกับเห็นความเปลี่ยนแปลงให้พอไหมครับพี่ต้นตอนเนี้พอพอนะครับแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งมันจะเริ่มมีสติเป็นอัตโนมัติมากขึ้นไอ้เนี่ยพอเรากลับมาอ่านเรื่องพจน์ชงนะคราว น, นี้จะรู้สึกอ้อเข้าใจละมันรู้เรื่อง มันมันไม่ใช่รู้เรื่องจากการทำความเข้าใจตัวหนังสือแต่มันรู้เรื่องออกมาจากไอสิ่งที่มันเริ่มแสดงให้เราเห็นจากประสบการณ์ภายในจากโลกภายในทุกอย่างมันจะเหมือนี่ยเป็นไปเองอันนี้มันยังไม่เป็นไปเองมันยังคิดให้เป็นไป มันใกล้จะเป็นอัตโนมัติได้แล้วนะเดี๋ยวกำลังที่ผ่านมากาลังที่เราสะสมมาจากการเพียรพยายามอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มันไม่หายไปไหนหรอกมันไม่เป็นหมันหรอกแต่ ว, ว่าตอนนี้มันยังมันยังต้องสวนทางกับความเคยชินเดิมๆที่สั่งสมมาเยอะหน่อยเพราะที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันมีความอยากให้เป็นไป ตามอำนาจของใจเราทั้งนั้นเลยนี่มันมันเหลือครึ่งหนึ่งละห้าสิบห้าสิบละเขาถามตามใจคาถามพุท้ายเวลาที่เหลือในชาติเนี่ยมีมีศักยภาพเพียงพอที่จะพาตัวเองและคนรักปิดอบายได้ไหมครับฟังดีๆนะครับผม <c oughs> นั่งอยู่ในห้องนี้มีสิทธิ์กันทุกคนเนี่ย แต่มันได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามนะอย่างตอนเมื่อกี้เนี้ยที่เรานั่งสมาธิด้วยกันแต่ละคนมันจะมีวูบหนึ่งเออรู้สึกสบายรู้สึกเป็นอิสระนี่นั่นคือตัวอย่างคือหนังตัวอย่างว่าเราก็มีความสามารถที่จะปล่อยวางได้ ปล่อยวางได้าจากการเห็นความไม่เที่ยงนะไม่ใช่อยู่ๆสั่งให้ตัวเองปล่อยวางขึ้นมานี้ถ้าเราเพียรพยายามไปเรื่อยๆ <c oughs> หากไม่ไปทำอนันตรกกรรมขวางทางตัวเองขวางทางมรรคขวางทางผลขวางทางสวรรค์เห็นไปเรื่อยๆเนี่ยลมหายใจมันไม่เที่ยงแน่ๆความสุขความทุกข์มันไม่เที่ยงแน่ๆก่อนตายเนี่ยถ้าเราลึกได้ ว่เออเนี่ยเราจะดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แหละเราจะดูความสุขความทุกโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมันจะรู้สึกขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังว่าร่างกายเนี่ยโดยสภาพของมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องทิ้งเราถึงเราไม่ทิ้งมันมันก็ทิ้งเราลมหายใจมันหายใจเข้าหายใจออกนี่มันไม่ใช่ตัวเร า, เ, ราเลยทัง้งตัวที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยให้ความรู้สึกเต็ม เต็มแน่นเต็มกําลังตรงนั้นเนี่ยเวลาที่ไปประกอบกับจิตสุดท้ายที่มันมีความหนักแน่นนะมันก็สามารถเข้าถึงฌานได้เข้าถึงฌานในแบบโลกุตระหมายความว่าข้ามพ้นไปจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่าใจเนี่ยที่ผ่านมาชาติหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวเราเพอตัดไอ้ตัวความยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่าใจเนี่ยเป็นตัวเราได้ยังน้อยที่สุดขั้นตา่าต้องได้ตัวดา นั้นคืออย่าไปห่วงอย่าไปกังวลเมื่อเราจะได้เมื่อไหร่ถ้าทําไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก่อนตายมันได้แน่แล้วพระเจ้าท่านตรัสนะบอกว่าตัดไว้ในสูตรหนึ่งบอกว่าถ้าเห็นกายใจโดยความเป็นธาตุสี่หมายความว่าเห็นสักแต่เป็นพาตุธาตุพัดไหวสักแต่เป็นธาตุที่มีไอุน่นสักแต่เป็นธาตุแข็งแข็งไม่ได้มีความเป็นบุคคล หรือศัก์แต่เป็นขันขันห้านะหรือศัก์แต่เป็นอายตนะมีคู่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายาเงี้ยกายเครื่องต่อภายนอกภาพเสียงกลิ่นรถไม่มีความเป็นบุคคลอยู่ในขอบเขตกายใจนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าไม่มีทางตายก่อนได้โสดาท่านใช้คำนี้เลยนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยกันที่เราไปสงสัยตัวเองว่าจะได้หรือไม่ได้ แต่ให้สงสัยตัวเองว่าขณะ น, นี้นาทีนี้วินาทีนี้เนี่ยเรากำลังทำเรากำลังเจริญสติอยู่ถูกทางหรือเปล่าถ้าเจริญสติอยู่ถูกทางนะเป็นประกันให้ตัวเองได้เลยก่อนตายมันได้แน่นอนมันปลอดภัยแน่นอนนะบังคับมีของขอยมันเกิดย้อนหลังให้พี่ตุลเลนะครับขอบใจค่ะพี่ตุล หนู no, มีคำถามคือว่าปังคลิปของพี่ที่สอนนั่งสมาธิอะค่ะแล้วทาตาเร า, ารสื่อว่ามันตึงเครียดที่หน้าผากตึงหัวค่ะก็เลยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาลืมตา ม, มาแล้วมันก็โล่งอะค่ะเวลาอะไรนะลืมตาหมาถึงว่าตอนนั่งไปคือนั่งไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาคือใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างวันนี่แหละแล้วก็ดูไปเอพ้พี่ว่าจิตเรามันก็ดีขึ้นเยอะนะทำไมมันยังเครียดอยู่อะ มันก็ของเก่าอ่ะคืออาจจะมีขยะทางอารมณ์ยังสะสมอยู่ยังยังไปไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จิตเราถว่างขึ้นเยอะแล้วมันก็ไม่น่าจะ เ, เหตุผลที่เครียดเนี่ยบางทีมันเหมือนกับวิ่งขึ้นมาเองความเครียดวิ่งขึ้นมาเอง วิธีหนึ่งก็คือฟังดีๆนะเราเอาความเครียดนั้นเป็นตัวตั้งให้ดูว่ามันเหมือนกับมีมีไอ้ความมีก้อนแข็งๆมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นส่วนเกินอยู่ในหัวแล้วพิจารณาว่าความเครียด น, นี้เนี่ย มันเกิดมามันเกิดขึ้นจากการที่เราเคยเป็นคนคิดมากมาเยอะคิดเรื่องที่มันเกินเกินมันเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นมาเยอะในช่วงนี้นะเวลาที่มันเกิดขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาว่าเออไอ้ความเครียดตรงนี้เนี่ยไอ้ก้อนความเครียดตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างเหตุเหมือนแต่ก่อน มันบางทีมันยังมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนหนูว่ามันก็ยังเยอะนะคะมันพุนะ่งขึ้นเลยก็ให้กําลังใจตัวเองหน่อยดีนะ <c oughs> เราเราจะไปบอกย้ําตอกย้ํำทำไมว่ามันยังคือมันมันไม่มากเท่าเก่านะแต่ก่อนเนี่ยเราคิดได้ทั้งวันเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับพอเราคิดมากขึ้นมาทีเนี่ย มันก็จะมีอารมณ์หนึ่งที่เข้ามาแทนในเวลาไม่นานมีความรู้สึกว่าเอออยากจะเลิกเลิกคิดคือถึงแม้ว่ามันจะยังยุ่งยุ่งอยู่ในหัวก็จริงนะแต่มันมีความอยากไงอยากที่จะเลิกนิสัยทางทางความคิดแบบเดิมๆแล้วมันก็ทำมาได้เรื่อยๆนี้พอเรามาเห็นภาวะความเครียดตรงนี้ ในระหว่างนั่งสมาธิแล้วเราพิจารณาไปว่าต้นเหตุเก่าเนี่ยที่มันสั่งสมมาเยอะเนี่ยนะมันทําให้เกิดก้อนตรงนี้ขึ้นมามันไม่ใช่เพราะว่าเรานั่งสมาธิแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราสั่งสมมาและมันมาแสดงตัวให้เราเห็นในขณะนั่งสมาธิอย่างช่วงต้นที่เราดูเท้าดูมือเนี่ยเราเห็นมันมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกสบาย แต่พอเริ่มที่จะเป็นสมาธิขึ้นมามันเริ่มเกิดอะไรขึ้นมาเป็นริ้วๆเหมือ น, นมีอะไรวิ่งขึ้นมาเป็นของแถมเป็นส่วนเกินขึ้นมาเฉยๆคือทั้งๆที่เราไม่ได้ไปเพ่งอะไรนะตัวนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ามันเป็นตัวฟ้องว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้างทางความคิด ทีนี้การที่มันมาปรากฏตัวให้เห็นในสมาธินี่ถือว่าเป็นโอกาสดียิ่งเราเห็นมันบ่อยเท่าไหร่แล้วเราพิจารณาว่าเนี่ยไอ้ก้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราเคยคิดมากเราเคยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตเนี่ยมันก็เลยมามีส่วนเกินของสมาธิแสดงเป็นปรากฏการณ์ทางจิต เป็นปรากฏการณ์ทางกายมันยังมีสารชนิดที่มันไม่ดียังหลังอยู่พวกอะดรีนาลีนพวกอะไรที่มันเป็นลบทั้งหลายเวลาที่เราอารมณ์ร้าๆอ่ะจะต้องช่วยคิดพิจารณานิดนึงว่าอันนี้มันเป็นส่วนเกิน อ, อะไรนี้ใช่ไหมคะพิจารณานิดนึงคือพอเห็นเนี่ยอย่างที่เราคิดตามพี่เนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าในหัวมันโล่งขึ้นคือหมายถึงว่า มันเห็นไงว่าสาเหตุมันมาจากอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นคืออย่างน้อยมันเบาลงมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไอเนี่ยไม่ต้องอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ลองสังเกตดิเวลาเกิดความเครียดขึ้นมาเวลาก้อนความเครียดมันมันเต็มแน่นขึ้นมาในหัวเราจะมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือว่ามันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะไปปลูกสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าเราหนีไม่พ้นหรอกต้องทุกไปอย่างนี้แหละแต่อย่างเมื่อกี้เนี้ยพอเราพิจารณาไปเออถ้าต้นเหตุมันลดลงแล้วมันเบาบางลงเดี๋ยวไอ้ผลตรงเนี้ยมันก็ต้องอ่อนกําลังลงตามไปด้วยอย่างน้อยมันมีกําลังใจนเมื่อกี้พี่อุตสาพูดให้กําลังใจเราก็ไปตอกย้ําอีกนะว่ามันก็ยังเป็นอยู่นะคะมันเป็นอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เท่าเดิม เห็นไหมเวลาที่เราคิดมากขึ้นมาเนี่ยมันรบกวนคนอื่นน้อยลงแต่ก่อนเนี่ยมันรบกวนคนอื่นไว้มากเนี่ยความปรุงสัน้นความทรมานใจของเราเนี่ยมันจะต้องลากใครมาทรมานตามไปด้วยแต่ตอนนี้มันน้อยลงมันมีคนเดือดร้อนน้อยลงอัออ้นี่้ก็เท่ากับว่ากรรมของเราไอ้ที่มันเป็นอกุศลเนี่ย มันลดกำลังลงเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันจะต้องไปให้ผลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเห็นชัดๆว่ามันต้องเบาบางลงส่วนไอ้การละลายของเก่าเนี่ยมันก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็เจริญสตินี่แหละเป็นวิธีที่รัดที่สุดเร็วที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดเพราะไม่มีอะไรไล่ความมืดได้ดีไปกว่าความสว่างธรรมะเนี่ยความสว่างของจริงการเจริญสตินี่แหละคือสุดยอดของธรรมะ แล้วก็คือตอนนี้เวลาพวกขัดใจหรือว่าเกิดโมโหอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีสติเห็นความโกรธตลอดแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็โกรธแรงเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะนับลมหายใจไปแบบที่พี่สอนสินะว่าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยที่ลมหายใจไหนแล้วก็ดูลมหายใจต่อมาเนี่ยมันลดระดับลงไหมไม่งั้นเนี่ยเราไปจ้องแต่ตัวโกรธมันก็เท่ากับเลี้ยงตัวโกรธไว้มันไม่ได้ทําให้ความไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมา เราสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราโกรธ เ, เราเราอย่าไปเราอย่าไปจ้องว่าเนี่ยความโกรธมันอยู่ตรงไหนแต่ให้เรารู้สึกว่าไอลักษณะที่มันกำลังปรากฏเด่นอย่างของเราช่วงนี้เนี่ยก็เอางี้เปรียบเทียบอย่างนี้เลยขุดคุยเลยแต่ก่อนถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีปีศาจอยู่ข้างใน ความคิดความฟุ้งซ่านมันตะเลิดมันจะมืดชัดเจนเลยเหมือนกับมีเส้นสายอะไรระยงองระยางออกไปเหมือนเขางอกอะนึกออกใช่ไหมเหมือนเขี้ยวงอกเหมือนอะไรต่อเมื่ออะไรยื่นออกไปไม่าจะรู้สึกปั่นป่วนมากเหมือนกับอารมณ์เนี่ยมันมันแรงแต่ช่วงนี้เนี่ยพอโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกเหมือนว้าวุ่น เหมือนควนวาวุ่นแต่ไม่ถึงขั้นเขางอกเคี้ยวงอกมันแค่รู้สึกเหมือนกับว่าอารมณ์แบบเก่าๆเนี่ยมันจะกำเริบแต่ไม่กำเริบถึงที่สุดแล้วก็จะมีความรู้สึกกระวลก็วายมีความรู้สึกเหมือนกับความร้อนมันวิ่งวิ่งอยู่ในอกก็ให้นับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มตน้น ว่าที่ลมหายใจนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับร้อนรอนวุ่นวุ่นอยู่เหมือนมีความรู้สึกเหมือ น, นตะบะจะแตกอยู่แล้วลมหายใจต่อมาดูที่ว่าไอความร้อนร้อนที่มันกําลังปรากฏเด่นเนียมันยังเท่าเดิมอยู่ไหมเชื่อเถอะว่ามันไม่เท่าเดิมแต่ถ้าเราไปจ้องที่ที่เราพยายามมีสติเนี่ยนะที่พี่เห็นเนี่ยคือเราดูเข้าไปที่ความคิดของตัวเอง คือไปจ้องมันเฉยๆที่ความคิดในหัวเห็นไหมมันไม่ได้จับที่สิ่งที่มันกําลังปรากฏเด่นแล้วอย่าไม่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะดูไอ้ความรู้สึกร้นอนๆที่มันวิ่งอยู่ในอกแล้วเปรียบเทียบดูว่าไอ้ความร้อนตรงนั้นเนี่ยลมหายใจนี้มันเท่านี้อีกลมหายใจต่อมาเนี่ยมันเท่าเดิมอยู่ไหมยอย่างนี้จะเรียกว่าได้เห็นความโกรธจริงๆและเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใไปจ้องความคิดเราเฉยๆแล้วก็นึกว่าเรากําลังดูความโกรธอยู่ที่ผ่านมาทําแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าพอจ้องเข้าไปที่ความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันยังล็อกตัวเองอยู่กับความมืดแต่เราไม่ได้ดูนะว่าจริงๆฐานของกุศลเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยมันอุดหนนอยู่นะคือมันไม่ทําให้ระเบิดออกไปไง มันบางทีมันอาจจะแวด๊ดแวดบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่มันมันไม่แบบฟาดงวงฟาดงาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยข้างในมันยังเป็นผู้เป็นคนอยู่เยอะนะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะหยุดได้คือไม่ใช่แบบหยุดไม่ได้คอนโทรลตัวเองไม่ได้ ถ้าเราดูว่าเปรียบเทียบไปว่าความร้อนตรงนี้มันร้อนมากร้อนน้อยแต่ละ ล, ะลมหายใจเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะเราจะรู้สึกเหมือนกับสงบนราบคาบเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้ยเห็นไหมมันเหมือนกับมีน้ําเย็นจริงๆยังมีอะไรกลลล์อยู่นะคือคือคล้ายๆกับน้ําภูเขาไฟอะ่ะที่มันยังเดือดปุดๆอยู่พอพี่พูดให้พูดพูดถึงตรงเนี้ยแต่มันอีกทางนึ่งมันก็เหมือนมีน้ําเย็น ที่มันสงบราบคาบอยู่แล้วมันจะเย็นจริงถ้าหากว่าเราไม่ไปพยายามดับความร้อนหรือว่าหยุดความโกรธหรือว่าไปพยายามดูความโกรธในแบบเก่าๆมันจะเย็นจากการเห็นความไม่เที่ยงของความโกรธไม่ใช่เย็นจากการที่ไปพยายามเอาชนะความโกรธ คําถามสุดท้ายค่ะพี่คือบางที่ตื่นมาเรารู้สึกแย่ๆตั้งแต่ลืมตาค่ะไม่รู้สาเหตุหรือไม่ก็แบบเวลาที่รู้สึกเซ็งทําอะไรไม่ได้ค่ะไม่มีลมทําอะไรเลยเนี่ยใจโมซัวไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะมันเป็นขยะทางอารมณ์ทั้งนั้นเลยคือบางทีเนี่ยอย่างที่พี่บอกไงเดิมเนี่ยเราอรารวาสบ่อยๆเนี่ยมันไปหลั่งสารไม่ดีออกมาสะสมเป็นพิษอยู่เยอะเอตอนนี้มันยังตกค้างอยู่นะ มันก็เกิดอารมณ์เซ็งเกิดอารมณ์เหวี่ยงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราจเจริญอาณาปนานสติไปแล้วก็สังเกตใจตัวเองในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะเราจะรู้สึกเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนนี้สารดีๆมันเริ่มหลังแล้วมันก็มีอะดรีฟิลนออกมาเป็นเป็นบุบๆอย่างอย่างตอนเราทำบุญหรือตอน เวลาสวดมนต์ตั้งใจกว่านี้นิดนึงนะอยู่อยู่กับการสวดมนต์นานกว่านี้เอาสักสามรอบเจ็ดรอบแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปว่าแต่ละรอบเนี่ยนะมันมันปุ้งสั้นอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าดูเป็นรอบรอบไม่ใช่ดูเป็นวักวักนะดูเป็นรอบรอบว่ามันเท่าเดิมไหมรอบนี้กับรอบนี้อีกรอบหนึ่งต่อมาถ้ามันจะปุ้งขึ้นมาก็ยอมรับดูเป็นเป็นรอบๆแล้วมันจะเกิดปิติ ของเก่าเราทำมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสว่างมากนะถ้าเรามาต่อติดคือมาสวดมนต์เรือว่ามาทำบุญในแบบที่ใจมันมันอยู่กับตรงนั้นได้จริงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันสบายขึ้นเยอะอนี้สวดมนต์เรายังใช้ประโยชน์จากตรงนั้นน้อยไป เหมือนกับตวจไปอย่างนั้นเองสรวจแค่รอบเดียวสรวจให้พันๆไปคือมันเคยมีช่วงที่สรวจแล้วมีความสุขกว่านี้เนี่ยลองสังเกตดูนะต้องอย่าเสียเวลาเปล่านะคือไหนๆตวจแล้วเนี่ยสรวจให้เต็มที่ยอมเสียเวลาไปเลยสิบนาทียี่สิบนาทีอย่าไปคิดถึงอะไรอื่นอย่าไปเร่งให้ตัวเองเอี่ยต้องเลือกสรวจสรวจแล้วเปรียบเทียบใจไปมันยังมีอาการใจร้อนอยู่ไหมมันยังมีความผงซ่านอยู่ไหมแตกต่างกันยังไงในแต่ละรอบนะ แล้วไอ้ความรู้สึกเสงงไอ้ความรู้สึกที่มันเหมือนกับออบางทีอยากจะเนไไหนีบเป็นไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไปมันมาพร้อมกับความรู้สึกชุ่มชื่นในบุญในกุศลขอบคุณค่ะคสวัสดีครับเออเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาคุยเลยครับก็อยากจะสอบถาม เหมือนกับวิธีแก้ปัญหาใ ห, ให้คู่กับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเหมือนกับเป็นทำอาชีพเกี่ยวกับพวกออกแบบแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยฮะทำให้ไม่สามารถที่จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยเวลานอนก็บอกว่านอนหลับไม่สนิทรู้สึกตื่นมา ม, นมันเหนื่อยเงฮะ ม, มันไ ม, ไม่ไม่เต็มที่ฮะจะทราบเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรไงแล้วบางทีก็หาสอบถามวิธีการแก้ไขจากพี่ด้วย เคยรู้สึกไหมถ้าเกิดไอเดียอะไรอันนี้มันตั้งแต่สมัยเรียนสมัยอะไรเงี้ยนะอถ้าเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความกระเสือกกระสนมากอยากจะเสนอไอเดียให้คนอื่นรับรู้อยากให้คนอื่นเห็นว่าไอเดียของเราเจ๋งไม่ออกใช่ไหมพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มันเหมือนกับ ชอบที่จะคิดอะไรดีๆออกมาแล้วเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราคิดได้ว่าอันนี้มันเจ๋งและอยากให้คนอื่นเขาดับดูและใจร้อน ย, ยึดกับมันมากไปแล<น>คื อ, ค, อคือมันจะทนรอไม่ได้เหมือนสมมติว่าเราคิดได้ตอนกลางคืนมันจะนอนไม่หลับเลยมันอยากจะให้คนอื่นเขามาดูมาดูด้วยมาเห็นด้วยเดี๋ยวนั้น พูดง่ายๆว่าจิตของเราโดยพื้นฐานเป็นจิตที่ต้องการแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์ต้องการให้เห็นผลงานว่าเราสามารถทำได้ทำได้แตกต่างจากคนอื่นทำได้ดีกว่าคนอื่นนี้พอเห็นอารมณ์ตรงนั้นนะเนี่ยพอพี่พูดถึงนึกออกใช่ไหมมันคล้ายๆมีดินระเบิด ใใคล้ใยๆมีแรงอัดที่มันมันอยากจะให้เกิดการรับรู้กว้างๆหรือว่าสมมติอย่างตอนเนี้ย เ, เรารู้สึกว่าเรามีไอเดียในการออกแบบที่ลูกค้าน่าจะพอใจมันจะคือมันไม่ถึงขนาดที่ว่าจะอยากโชว์ไอเดียให้ได้เดี๋้นแต่มันจะมีแรงอัดอยู่ระดับหนึ่ง นีแรงอัดแบบนั้นเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันเหมือนกับแรงจูงใจให้เราเก้าวหน้าไปในอาชีพคือจะได้มีไอเดียที่มันแตกต่างมีไอเดียที่มันสร้างสรรค์เป็นที่ชื่นชมของลูกค้าแต่มองในอีกทางหนึง่งนะถ้าถ้ามองในแง่ของการเจ ร, ตรติญปตินี่เขาเรียกว่าความโลภตัว ตัวโลภะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเป็นภาวะปัญหาเป็นต้นเหตุของความกระวนกระวายทางใจคือใจเนี่ยมันจะมีความทุกข์นันเกิดจากการอยากให้คนอื่นได้เห็นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วในในตอนเริ่มต้นแล้วถ้ามีความขัดแย้งจากคนอื่นหรือว่าคนอื่นคือบางทีตามไม่ถึงหรือว่ามองไม่ได้แบบที่เรามอง น้อ็จะเกิดความรู้สึกเฮิร์คือมันเหมือนลูกปวงแตกตัวนี้ถ้ามองไปนะคำว่าแรงอัดเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเป็นตัวภาวะ ต, ตันหายังไงถ้าเห็นอยู่เรื่อยมันก็จะเท่ากับเห็นต้นเหตุของความทุกข์เรื่อยๆเช่นกันในต้นเหตุของความทุกข์ตัวนี้เนี่ย มันจะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงคือมันจะบีบเราน้อยลงแต่เปิดโอกาสให้เราคิดอะไรกว้างขึ้นคือไอเดียมันจะพลั่งพรูมาหลากหลายกว่านี้อีกนึกออกไวมเวลาที่เราเกิดแรงอัจชนิดนี้เนี่ยบางทีมันจะปิดนะมันจะสโคปอยู่เออมันจะล็อกอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยไม่เอาอะไรอย่างอื่นจะลงดีเทลก็ต่อเมื่อมันอยู่ในสโคปนี้แต่ถ้าหากว่า กำลังอัดตรงนี้มันอ่อนกำลังลงมันจะรู้สึกว่าไอเดียหลากหลายเนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายขึ้นที่มันหลากหลายกว่าเดิมลองสังเกตดูตรงนี้แหละเนี่ยตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แก้ปัญหาให้เราได้กตพวกแรงอัดตรงนี้ใช่แรงอัดคือตอนนี้มันน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะครับตอนนี้มันเหมือนทำงานเป็นแค่ความอยากให้คน เขายอมรับแล้วก็อยากให้เขาดูว่าเนี่ยของเราก็เจ๋งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลามันคิดอะไรได้มันยิ่งกว่านี้สองเท่าสามเท่ามันมีแรงอัดยิ่งกว่านี้นี่มันจะมีคนถ้าเกิดว่ามีแรงอัดชนิดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะใช้ชีวิตในส่วนอื่นด้วยแรงอัดชนิดเดียวกันแบบนี้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากจะออกไปเที่ยวมันจะมีแรงถ้าถ้าอยากเที่ยวจริงๆในที่ไหนเนี่ยมันจะมีแรงอัดแบบที่ว่าถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วมันจะเหือดถ้าไม่ได้หยุดพักมันจะรู้สึกเป๋วมากไอ้นี่ก็เป็นเหมือนกับทำให้เราเกิดข้อสังเกตขึ้นมาว่าปมของชีวิตเรามันมาจากแรงอัดตรงนี้คืออยากจะมีตัวตน อยากจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าไม่ได้มันจะรู้สึกเหมือนกับลูกโป่งแตกพูดง่ายๆนะคีย์เวิร์ดลองสังเกตตัวนี้แรงอัดเวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรหรืออยากจะแสดงอะไรให้ใครเห็นด้วยมันจะมีแรงอัดแบบเดียวกันเนี้ยที่พี่ว่าเนี่ยกลับมาเกิดขึ้นเสมอ นี่พอเราเห็นเห็นตัวแดงอัดคือไม่ต้องไปพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าโดยความเป็นอนัตตาอะไรทั้งสิ้นนะแต่เห็นแดงอัดเห็นบ่อยๆแล้ว ค, ค, คือแค่แปะป้ายมันไว้ว่านี่ตัวนี้คือภาวะตันหามันจะเหมือนเกิดความเข้าใจชีวิตโดยรวมขึ้นมาคือคือเข้าไปเห็นที่แก่นกลางที่ใจกลางของปมชีวิตเมื่อปมชีวิตของเรามาอย่างนี้ปมชีวิตของเราเป็นปมเครื่อง ไม่ใช่ผุ่มด้อยบางทีมีเรื่องอฟุงงซ่านมากบางทีมันมีเรื่องปัญหา เ, เรื่องตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหตัวเนี้ยคือต้นเหตุของความฟุ้งซ่านแรงอัดตรงเนี้ยเรามีมากกว่าคนอื่นเขาคือความฟุ้งซ่านเนี่ยนะในแต่ละคนไม่เหมือนกันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันบางคนฟุ้งซ่านเพราะว่าไม่รู้จะคิดอะไร ใจมันลอยไปเรื่อยแต่ของเรารู้ว่าจะคิดอะไรแต่หยุดคิดไม่ได้หยุดคิดเรื่องนั้นไม่ได้เพราะมันอยากที่จะให้ความคิดของตัวเองมันระเบิดออกไปเป็นที่รับรู้ไม่ใช่ระเบิดแล้วตกลงมาร่วงตายเปล่าถ้าดูตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแม้แต่ความฟุ้งฟ่านมันก็จะลดระดับลง แต่มันยังคิดอยู่นะคือคิดคิดคิดวนๆอยู่เพียงแต่ว่ามันจะอ่อนกำลังลงไม่ถึงขั้นที่ทำให้เกิดความําคาญนี่ถ้าน้องฝึกจะเดินอาณาปานนัตสติไปด้วยนะตอนนี้รู้ว่ามันยังไม่ได้หรอกพราพอทำๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรรบกวนอยู่ในหัวเยอะใจมันยังต่อไม่ทิ้งลมหายใจเลยไไอ้นี้ถ้าระหว่างวัน เราสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่พี่บอกแล้วก็ไปทำอนาปนานัสติเอาสักวันละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยจนกระทั่งเกิดความคุ้นก็เออเนี่ยเราจะดูลมหายใจโดยความเป็นแบ็กกราวดูตัวอารมณ์ดูตัวความผงกพันโดยความเป็นปกร e g r มันก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าไอ้ f o r e g เนี่ยแสดงความไม่เที่ยงอยู่ในแต่ละลมหายใจบางครั้งเนี่ย ว่าเราล็อกหรือว่าโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลองดูบางทีมันมันเหมือนมันเหมือนการรับรู้ภายนอกเนี่ยมันเบลอไปเลยมันรับรู้อยู่ในสิ่งหายไปมันเหมือนโลกภายนอกมันหายไปเหมือนมัวแต่โฟกัสแต่สิ่งที่คิดใช่แล้วสิ่งที่โฟกัสบางทีมันบางทีมันก็ชัดบางทีมันก็ไม่ชัดเพราะว่าคือใจเราแล่นไปหาความสําเร็จแล้ว แล้วพอมันยังไม่ถึงคิวของความสําเร็จเนี่ยบางทีมันก็เบลอไปเนี่ยก็ดูอาการของใจที่มันทุ่มไปมันทุ่มไปในอนาคตมากเกินไปของเราเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันต่อเมื่อมันมีไอเดียเจ๋งๆขึ้นมาแล้วเราโฟกัสกับรายละเอียดตรงนั้นพอรายละเอียดตรงนั้นมันจบไม่เหมือนรอผลและรอการพิ่ภากษาซึ่งมันต้องรออนาคตอีกระยะหนึ่ง เนี่ยตอนนี้มันเริ่มเลอแล้วแต่ใจเราก็ล็อกอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไปล็อกอยู่กับอนาคตที่ว่างเปล่าเส้นทางระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยมันมันไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยมันว่างเปล่าี่ถ้าถ้าเราถ้าเรารู้ตัวว่าเออนี่ตอนนี้ใจของเราโฟกัสอยู่ระหว่างทางที่มันเป็นปัจจุบันกับอนาคตก็จะได้เห็นเข้าไปที่รายละเอียดของจิต คือไม่ใช่รายละเอียดของงานล้วที่ผ่านมามันชอบแต่จะเอารายละเอียดของงานให้จบแล้วก็รออนาคตร อ, อการพิพากษาแต่คราวนี้พอมาเริ่มเห็นว่าใจของเราเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับอะไร ล, ลอยๆมันก็จะเห็นอาการลอยแบบไม่มีจุดหมายไม่มีที่ไม่มีรายละเอียดตรงนี้แหละที่จะเป็นรายละเอียดของจิตคือจะเห็นไงอาการเหม่อลอย มันดูประหนึ่งว่าโฟกัสแต่จริงๆแล้วเหมือนลอยอยู่เข้าใจนะเราไปเริมครับก็อีกอย่างนึ่งคืออยากจะเรื่องวิธีการแบ บ, บเตัวเองมีปัญหาเรื่องการบางทีสื่อสารบทีเรื่องจะพูดมันทีมันมันจะเบลอหายไปทําให้จับประเด็นไม่ได้ที่พี่พูดไงไนนคือทั้งหมดนี่แหละมันคือคําตอบที่เบลอเนี่ยมันไม่ใช่เบลอเพราะเรา คิดไม่ออกแต่มันเบลอเพราะว่าใจเนี่ยมันชอบไปรอผลเนี่ยรอผลแล้วโฟกัสอยู่ตรงนี้นล็อกอยู่ตรงนีนลอองนน้ล็อกอยู่ความว่างเปล่าอ่ะจนกระทั่งมันไปทําให้ระบบความคิดมันขาดตอนคือแทนที่จะคิดพูดออกมาได้แบบน้ําไหลไปดับอย่างที่มันมันมีอยู่เต็มหัวใจมันกลับไปล็อกอยู่กับ เส้นทางระหว่างปัจจุบันกับอนาคตคาดกับอนาคตไปไปก็เลยเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปฟังพี่พูดใหม่ทั้งหมดนะในเทปอะ่ะที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออาการทางใจของเราตั้งแต่ต้นเลยว่ามันมีแรงอัดขึ้นมาแล้วมันมีการคาดหวังสูงจะถูกพิพากษาว่า <c oughs> โอเคมาเจ๋ง แล้วพอใจมันรอยอยู่ตรงนั้นจออ ย, อยู่กับตรงนั้นโดยที่มันไม่มีรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันมันก็เลยล็อกอยู่กับความว่างเปล่าว่างเปล่าในแบบไม่ดีอ่ะไอ้นี้มันก็เลยไปบล็อกคำพูดทั้งๆ ท, ที่คำพูดของเราเวลาที่มันคิดอะไรได้นะมันจะเยอะไปหมดมีคำอธิบายมากมายแต่พอใจของเราเนี่ยไปสร้างความเคยชินที่จะอยู่กับความว่างเปล่ามันก็เลยไป บล็อกคำพูดที่มันมากมายตรงนั้นให้ใหเหมือนกับไม่มีหรือว่าให้มาไม่ไมตรงตามลาดับเพราะเราอยากจะพูดให้เสร็จใ น, ในแบบห้าวินาทีหรือสิบวินาทีให้พรั่งพอวงมาหมดเลยใจร้อนไงคืออยากให้เขารับรู้ทั้งหมดที่เราคิดแต่และพอมันเหมือนกับใจร้อนมากไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาลําดับตรงไหนมาเป็นตัวต้น แล้วก็ตรงไหนที่จะควรเป็นกลางตรงไหนที่ควรจะเป็นปลายแล้วถ้าเกิดเรื่องเป็นคนที่ขี้ลืมนี่มันเกี่ยวกับตรงนี้ด้ไหมฮะเกี่ยวอย่างยิ่งเลย <c oughs> บางคนเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เพราะอย่างนี้แหละส <c oughs> าเหตุของคน เ, นเป็นอัลไซเมอร์นะที่ผมดูมานะมันมีอยู่หลายประเภทบางคนเนี่ยรู้สึกผิดมากแล้วก็ล็อกอยู่อาการรู้สึกผิดเงี้ย แล้คิดอะไรไม่ออกหรือบางคนเนี่ยไปล็อกอยู่กับอะไรที่มันว่างเปล่าเนี่ยคล้ายๆอย่างกรณีของเราเนี่ยคือล็อกไว้อย่างนั้นแล้วกระบวนการคิดมันหยุดมันหยุดคิดแบบเป็นระบบมันไปล็อกอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่มีรายละเอียดพอสมองจะกลับมาทํางานใหม่มันเลยถูกเหมือนนีก็ถูกบล็อก ด้วยไออาการทางใจแบบนี้โฟกัสแบบเนี้แล้วในที่สุดพอมันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับไอความสามารถในการเชื่อมโยงของประสาทเนี่ยมันหายไปมันเชื่อมไม่ติดแล้วก็เลยกลายเป็นอาการนึกไม่ออกขึ้นมาแทนนี่นะอันนี้ที่เห็นนะเฉพาะที่เห็นสำหรับหลายๆคนมันมีอาการเสื่อมของสมองจริงๆเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่อ ง, อาาองมลพิษอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหลายคนเลยที่มันเริ่มต้นมาจากไอ้การที่ว่าคิดไม่เป็นระบบและใจร้อนเกินไปหรือไม่ก็จดจอยอยู่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปในแบบที่มันไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษเราถ้าเกิดพวกจะเสริมเรื่องปฏิบัติในเป็นปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันอยู่ในเสริมไหมครับพี่ ช่วงเนี้ยน้องจะรู้สึกว่าถ้ามานั่งอาณาปานตสติเนี่ยมันจะมันจะอึดอัดเพราะว่าในหัวมันมีอะไรกังวลเยอะแยะแล้วมันเนื่องจากเป็นคนใจร้อนเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเย็นพอที่จะไปดูลมหายใจทีละครั้งทีละหนก็อาจจะเออ่ใช้วิธีวิ่งจงกรมเอาก็ได้ือดูเท้ากระทบแป๊ะแปะแป๊แปไปวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้หรือว่าวิ่งบนสายผ่านก็ได้ เพื่อที่จะให้มันมีภาษากระทบที่มันเป็นของจริงมาแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านในหัวคือเราจะมีอสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดการระลึกถึงความจริงบ่อยนะฝ่าเท้ากระทบในขณะวิ่งเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าในแต่ละช่วงเนี่ยพอเรามีการรับรู้ถึงเท้ากระทบทีทีทีเนี่ย ความฟุ้งซ่านมันจะเบาบางลงไปแล้วเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันจะกลับมาใหม่ตอนที่ความฟุ้งซ่านมันกลับมาสังเกตดูอ่ะเท้ า, ทามันจะหายไปอยากใจเนี่ยสังเกตอยู่อย่างเงี้ยสังเกตไปสังเกตมาอยู่แค่เนี้ยมันจะช่วยได้นะจวลองไปปฏิบัติเพิ่มเติมครับสวัสดีครับเออผมเคยปฏิบัติอย่างเออมือ มันเข้มข้นสมัยก่อนคราวนี้เนี่ยมันมีเหตุให้เราหยุดไปหยุดปฏิบัติห่างห่างไปครับคราวนี้เรากลับมาปฏิบัติใหม่เนี่ย อ, อทําแล้วมันรู้สึกเ อ, อ๊มันไม่สนุกเหมือนเดิมหนอนเหมือนตอนนั้นแล้วก็เราแค่แคๆรู้สึกว่ามันมันมันจะทํำยังไงไม่รู้มันติดอะไรอยู่ฮะแล้วก็แต่วันนี้ก็แปลกนะครับเหมือนกับเราพอเข้าใกล้ครูบาอาจารย์แล้ว จะกระโดดขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่แบบว่าภาวนาปกติแย่ไม่รู้นะเราก็รู้ว่ามันมันมันมันมี่เราติดอยู่เนี่ยมันติดความอยากใช่ครับอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเก่าแล้วมีความรู้สึกว่เนี่ยไม่ได้สั่งสมกำลังวัามันขาดตอนมานานมีความรุ้งซ่านอยู่ในหัวเยอะมันเกิดความอยากัยากกลับไปเป็นเหมือนเก่าให้ความอยากตรงนั้นที่บล็อกไม่ให้เราทำสักที มันไปจมอยู่กับความอยากต่อไปถ้าหากว่าลงนั่งสมาธิหรือว่าจะเดินโยงกลมอะไรกันแล้วแต่ดูตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกดูว่าความอยากมันยังมีอยู่ในหัวเราหรือเปล่าถ้าความอยากมันยังมีอยู่ในหัวนะมันจะมาในรูปของความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาบล็อกมาปิดกั้นไอ้ที่เราบอกว่าไม่รู้อะไรมาบางังตัวนี้แหนละ ้องสังเกตเข้ามามันจะเหมือนกับแรงเบรกเหมือนกับอะไรที่มันหยุดเราได้หยุดให้หยุดไม่ให้เราสังเกตว่าในขณะนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกหยุดไม่ให้เราสังเกตว่าขณะนี้จิตใจไปถึงไหนแล้วฟุ้งซ่านกระวนกระวายมากหรือน้อยมันจะมีแต่อาการที่จมอยู่ติดอยู่แล้วไม่ไปไหนเนีอ่อย่างตอนเนี้ยพอพี่พูดเนี่ยเรารู้สึกถึงมันได้มันหายไป แต่ถ้ากลับไปแล้วมันลืมนึกถึงข้อนี้ลืมนึกถึงจุดนี้มันก็ยังมาเบรกเราได้อีกใช่ครับนี่ผมพยายามสังเกตว่าพอเข้าใกล้หัวาจามันจะกระโดดขึ้นมาทำได้ของมันนะแต่พอเราห่างไปมันหายมั น, <c oughs> ม, นมันต้องท่องไว้ <c oughs> จดลาก็ไดาไว้เลย <c oughs> สิ่งที่ต้องทำตัวดูนะอันดับแรกดูความอยากดูความอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันดับแรก แล้วจะใกล้หรือไม่ใกล้จะห่างแค่ไหนก็ตามมันจะอยู่กับสิ่งที่เป็นหลักฐานของจริงในตัวเองและจะทำได้ทุกครั้งนะครับสวัสดีค่ะก็เคยปฏิบัติแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มข้นนะคะแต่ว่าหายไปนานมาแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งนี่คือฟุ้งซ่านมากมาด้วยกันว่าเนี้มาด้วยกันมิหน้าเนี่ยหายไปนานด้วยกันไหมมัน <laughs> คือฟงซานแบบว่านั่งไปปุ๊บเนี่ยแบบมันมีเรื่องราวเข้ามาอุย้ยลืมทํานู่นทํามันมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อะคือมันจะไม่ค่อยนิ่งแล้วก็อย่างวันนี้มานี่คือแบบพอผ่อนคลายนิ่งตามที่พี่บอกใช่ไหมคะก็หลับเลยก็เลยอยากให้พี่แนะนานว่าอย่างนี้เราควรจะเริ่มนั่งดีหรือว่าจะเดินจงกรมดีทั้งนั่งทั้งเดินทั้งนั่งทั้งเดินอ่าอย่างเมื่อกี้ตอนก่อนจะหลับเนี่ย มันมีความรู้สึกเหมือนกับสบายมากใช่ค่ะนะอ้าเป็นอาการสบายแบบเคลิมทีนี้อาการสบายแบบเคลิมเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถตั้งข้อสังเกตกับมันได้ว่าเออมันเกิดขึ้นเมื่อใ่ทุกครั้งที่มันมีความเคลิ้มมากมันจะมีอาการเหมือนเหมือนเด่มดําเหมือนก่บเราจะคล้าย จิตเนี่ยมันจะเหมือนกับยืดออกไปเหมือนน้ําลายหลายยืดอ่ะแบบนี้นแต่ น, นี้เป็นจิตอาการทางจิตที่มันกระแสมันยืดออกไปก่อนที่มันจะดับเข้าสู่ความหลับถ้าเราสังเกตเออเนี่ยอาการของจิตมันมีอาการยืดออกไปแบบนี้สักสองสาครั้งมันจะ พอเกิดอาการยืดออกไปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดสติขึ้นมาตอนแรกๆมันเป็นแค่การสังเกตว่าหน้าตาอาการยืดมันเป็นยังไงแต่พอเห็นไปสองสามครั้งมันพอมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันจะเหมือนตัวกระตุ้นให้สติมันทำงานวันนี่เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะเข้าสู่การหลับเสร็จ แ, แล้วพอสติเกิดปุ๊บนะอาการยืดจะหายไปเลยเหมือนกับ เข้ามาทรงอยู่ในสภาวะของสมาธิที่มันมีความปลอดโปร่งที่มันมีความสบายที่มันมีความสว่างคือสว่างสบายในแบบที่จะไม่หลับไอ้นี่พอมันยืดแล้วมันคุ้นเคยที่จะไหลไปตามอาการที่พร้อมจะหลับมันเป็นความเคยชินของคนทั่วไปแต่คนที่มันจะเริญนาติเราสังเกตเห็นว่าไอ้นี่เป็นแค่ภาวะหนึ่ง นี่มันมาให้ดูมาให้ศึกษาเห็นบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นความรู้ว่าไอนี่อย่างนี้ตัวนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้เนาจะนําไปสู่ภาวะแบบไหนพอสติเกิดขึ้นเห็นสองครั้งสามครั้งมันตัดเลยดูตัวเนี้นะแต่ว่าอย่างนี้คือมันต้องจิตต้องนิ่งก่อนถึงจะดูได้ถูกไหมคะแต่ว่าตอ น, น, นแรกๆเรอ่าอย่าไปอย่าไปตั้งเงื่อนไข พอตั้งเงื่อนไขปุ๊บเราจะลองเงื่อนไขนั้นแล้วพอรองเงื่อนไขนั้นมันจะไม่ดูอย่างเป็นธรรมชาติมันจะมีอาการจดจ้องเข้าใจพลอยนะเรื่ออะไรจะเกิดเนี่ยให้มันเกิดไปแล้วเราค่อยดูไม่ใช่ว่าพอเราพูดอย่างนี้ว่าเอ๊ะมันต้องมีความนิ่งสะก่อนแล้วถึงจะเห็นได้อย่างนี้มันจะไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนอกจากหวังรอว่าจะต้องนิ่งสก่อน กคือว่าให้ดูไปเรื่อยๆฟุ้งซ่านก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือไม่ต้องให้กําหนดอย่างเงี้ยให้ว่าให้นิ่งก่อนเราค่อยมาดูอือย่างเมื่อกี้เนี่ยพอมันเริ่มสบายเนี่ยเมื่อเริ่มสบายจากตอนที่เราช่วงแรกๆเลยดูมือดูเท้าเดี็จแล้วเห็นลมหายใจของเราเห็นลมหายใจเนี่ยเออมันสบายเป็นลมหายใจที่สบายของบางคนไม่นะพอเริ่มดูลมหายใจปุ๊บเนี่ยอึดอัดทันที แต่ขเราพอดูเนี่ยมันเห็นลมหายใจยาวๆสบายๆนมันเหมือนกับเออไม่มีอะไรต้องทำเหมือนกับพักผ่อนเหมือนกับวันว่างเหมือนกับเรากำลังอยู่ในอยู่ในสวนหลังบ้าน ส, สวยๆตามลำพังอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความรู้สึกที่สวยงามเข้าใจความรู้สึกที่สวยงามไหย ม, มันมันเหมือนกับเราอยู่ในที่ที่ดีที่ที่น่าพอใจ ถ้าถัดจากความน่าพอใจตรงนั้นแค่ไม่นานเนี่ยมันกลายเป็นอาการยืดแบบที่พี่ว่ามันเคลืบอนเพิ่มตัวความเคลือบเพิมนั้นในมนุษย์ทั่วไปเมื่อเกิดขึ้นมันตามไปทันทีเพราะมันหวังรออยู่แล้วทุกคนหวังรออาการเคลือบเพิมอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมันจะสัมผัสได้ว่เาเกิดอาการแบบนี้มันก็คือการหลับ แต่ถ้าเราจะเจริญสติเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวตั้งว่าเมื่อไร่เกิดขึ้นเราจะเห็นความเคลือบเคลิอมว่าหน้าตามันเป็นยังไงอย่างที่พี่บรรยายว่ามันยืดออกให้เห็นอาการยืดอย่างนี้สักสองสามครั้งมันจะตัดได้เองเพราะมันรู้และวเข้าใจแล้วว่าไอ้นี่มันจะต่อมาด้วยอาการหลับนะถามนิดนึงนะคะแล้วตอนที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนี่เราต้องมีแบบ ตั้งเวลาหรือเปล่าคะหรือวเราทําไปเรื่อยๆถ้าเรามีเวลาก็นั่งไปเรื่อยๆหรือว่าเดินไปเรื่อยๆหรือสมมุติว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราสามารถช่วงแรกเนี่ยที่ยังไม่ไม่ไมรู้กําลังของตัวเองนั่งไปเรื่อยๆก่อนต่อมาเมื่อมันเริ่มมีความสม่ําเสมอมากขึ้นก็ควรจะตั้งเวลาไว้เหมือนกันคือจะได้รู้ว่าเนี่ยเรานั่งนานแค่ไหนไหน แต่จริงๆคือพี่ก็เคยทั้งตั้งเวลาทั้งไม่ตั้งเวลาทั้งปล่อยไปเรื่อยๆนะ่ะนะตอนปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีแง่ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องพะวงแต่มีแง่เสียตรงที่ว่ามันจะไม่มีจุดหมายมันเหมือนทําไปเรื่อยๆช่วงตน้ตนๆโดยเฉพาะช่วงตน้ตนก็ดูว่าตั้งเวลาหรือไม่ตั้งเวลาแล้วใจมันพะวงหรือเปล่า พะวงมากเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิก็คือไม่ควรเกิดความพะวงถ้าเกิดความพะวงแล้วไม่ดีนะรู้เป็นหลักการคร่าวๆพะวงกับกั ง, งวลคล้ายๆกันไหมอ่าเหมือนกัน mm hmm. คือจิตใจมันไปคล้องมันไปติดอยู่กับเงื่อนของเวลาแทนที่จะมาโฟกัสกายสิ่งที่มันเป็นลมหายใจเต็มที่ หรือภาวะที่มันเกิดขึ้นเต็มที่ขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะอาจารย์วันนี้ผมมาครั้งแรกเหมือนกันก็จากที่เมื่อกี้ฝึกสมาธิช่วงแรกอะครับ <c oughs> ก็รู้สึกสบายเหมือนกันเบาแต่ว่าพอนั่งสักพักนึงเนี่ยก็รู้สึกช่วงแรกๆ ก, ก, ก็เกรงๆอยู่นะใช่ฮะเกรงเราจะ ร, รู้สึกเกรงๆ เ, เหมือนกนัไม่ถูกที่ถูกทาง <c oughs> อะไรแบบนั้น<ย>แล้วก็เริ่มปล่อยแล้วก็รู้สัมผัสได้รู้ เริ่มมีความเบาขึ้นสักพักหนึ่งก็รู้สึกง่วงนอนนะคะมีความรู้สึกง่วงนอนแต่ว่าก็ยังมีก็ยังได้ยินสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ก็ได้ยินแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันความรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะอะไรเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยที่เกรงเพราะว่ามันเหมือนกับตื่นเต้นนิดนึงจะคือมันมาพร้อมกับความตั้งใจในนี้พอทํำๆไปเนี่ยมันรู้สึกเออก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อย ใจมันก็ค่อยๆคลายความเกรงคือคือเราเริ่มสังเกตว่าเออมันเกรงมือเกรงเท้าแล้วก็ปล่อยไปตามลําดับนะอนี่มันก็เลยเริ่มมีสติขึ้นมานี้พอมามาดูลมหายใจตอนนี้เริ่มสบายแล้วคือเหมือนกับพอเห็นลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่คาดหวังโดยที่ไม่อยากคือเราเข้าใจพอยนี้ซึ่งเป็นเป็นพลอยที่พี่ต้องการให้เข้าใจจริงๆ คือถ้าใครนะสามารถเห็นลมหายใจเข้าออกได้โดยไม่มีความคาดหวังจิตมันจะอยู่ในฐานะผู้ดูผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้อยากเนี่ยที่นั่งสมาธิกันมาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยมันเป็นเพราะว่านั่งสมาธิด้วยความคาดหวังด้วยความอยากอยากจะดูลมหายใจให้ชัดอยากจะสงบให้ได้นี่พอเราเริ่มเรียนรูแล้วก็จาไว้ตรงนี้แหละจุดตรงนี้แหละที่ทาให้เราเกิดความตื่น เกิดความสบายแบบตื่นขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาชั่วขนาดหนึ่งนี้เนื่องจากกำลังมันยังไม่มากพอพอทำาไปมันมีความรู้สึกสบายและใจเราไปจับอยู่กับอารมณ์สบายมันก็เลยเคลิ้มไปอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานี้ถ้าเราฝึกทุกวันเช้าเย็นนะวนมนก่อนก็ดี ของน้องคอวรจะสวดมนต์ก่อนนะเพราะว่าคือความคิดภายในเนี่ยศรัทธามันยังสับสนอยู่บางทีมันยังตีกันเองเหมือนกับ ก, ก้าวมาก็ไม่ก้าวอะไรแบบนี้มันยังมันยังแค่ครึ่งๆึ ข, งขาอะไรอย่างเงี้ยนะการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยให้ตัวศรัทธาเนี่ยมันเต็มขึ้น บางทีอย่างอากุศลจิตหรือว่าความคิดไม่ดีที่มันมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ เ, เราเราใช้ไปศึกษาตอนที่สวดนมนต์ก็ได้สมมติว่าสวดมนต์แล้วคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูว่าไอ้ตรงที่คิดไม่ดีไม่ใช่ความตั้งใจของเราความตั้งใจของเราคือตรวจมนต่างหาก มันก็จะได้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนว่าความตั้งใจจริงอยู่ที่การสวดมนต์อยู่ที่ความเป็นกุศลส่วนไออกุศลธรรมที่มันเข้ามาในรูปของความคิดแว บ, บขึ้นมาในหัวหรือว่ามันบางทีมันวิ่งบุ่นอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นแค่อนัตตาที่ควบคุมไม่ได้บางวันมันรู้สึกใช่ไหมเหมือนกันบลบมันมีอะไรลบอยู่ข้างใน ระหว่างอากุศลธรรมกับกุศลธรรมเนี่ยใจหนึ่งก็อยากจะเอาดีใจหนึ่งมันก็คิดอะไรเละเทะในคือคนสมัยใหม่เนี่ยมันเจออย่างนี้นะั้นหน้าสงสารเจอข่าวเจออะไรเยอะไปหมดนะมันมันก็เลยเวียนหัวมีความคิดอะไรไม่ดีสะสมอยู่เยอะจะไปตามบอร์ดตามอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีแต่ ถ้อยคำด่ากันบ้างอะไรบ้างนี่มันคล้ายๆกับเราโตมาพร้อมกับอะไรเหล่านี้ไงท่ามกลางนะมันมันก็เลยมีอะไรวิ่งวุ่นอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะอันนี้ถ้าสวดมนต์ด้วยความตั้งใจเราจะเป็นเสียงอย่างมีความสุขเต็มที่นะแล้วก็การสวดมนต์นั้นเราไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นนอกจากสรรเสริญพระรัตนตรยัย สวดอิติปิโสเนี่ยนะมีแต่สรรเสริญพระผูได้เจ้าพ ร, พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ไม่มีเอาอะไรเข้าตัวเลยพอเรารู้ได้ว่าเราสวดเพื่อสรรเสริญอย่างเดียวเนี่ยใจมันก็จะเกิดการรินเมตตาลักษณะของการแผ่เมตตาออกมาใจมันจะเปิดแล้วมันจะช่วยได้คือพอเกิดความคิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นในหัวเราไม่ต้องไปปฏิเสธ ไม่ต้องไปรบกันในหัวเนี่ยถ้ามันจะตีกันยุ่งระหว่างสวดมนต์เนี่ยให้มันตีไปแต่เรายอมรับว่าเนี่ยรอบเนี้ยรอบแรกมันมีอาการตีกันยุ่งรอบสองมันตีกันน้อยลงนะแล้วเรามั่นใจอยู่กับตัวเองว่าเรายืนอยู่ข้างถึงสับสิตเราตั้งใจที่จะสวดมนต์ด้วยใจจริงเนี่ยและในที่สุดเนี่ยผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี การรบกันในหัวมันจะหายไปก็ <c oughs> <c oughs> อีกอีกคำถามนึงนะคบพอดีอยากจะถามว่าในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะได้นู่นได้นี่ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยที่เราสแสวงหาสิ่งต่างๆให้กับชีวิตในเี้ยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็เหนื่อยเองเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราดิ้นลงเกินไปหรือเปล่าเพราะมัน เหมือนกับว่ามันก็เหนื่อยแล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นความคิดที่มันเป็นทำให้รู้สึกว่าเรายอมแพ้กับสิ่งที่เรามีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าเลยเราคิดแบบนั้นขึ้นมาที่จะสะแบบหาสิ่งต่างๆคือ การที่มีเป้าหมายชีวิตเป็นเรื่องจำเป็นเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับโรคๆเนี่ยมันจะไม่มีแรงจูงใจให้ทําอะไรเลยแต่ถ้าเรามีช่วงที่จะมาจะเจริญอาณาปานสติหรือว่ามาทำสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยนะก็ควรจะเอาไอ้ความเป็นกายความเป็นใจตรงนี้เนี่ยมาพิจารณา ไม่เจริญสติให้เต็มที่ส่วนจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรโผล่เข้ามาเป็นความฟุ้งซ่านก็ให้กลายเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเห็นว่าความฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปเข้าใจประเด็นไหมมันแยกคนละหมดนะตอนที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทําสมาธิเราควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขาดไม่ได้ถ้าขาดไปมันไม่มีแรงจูงใจให้ใช้ชีวิตมันจะกลายเป็นเหมือนกับ จะบวยก็ไม่ใช่นะจะนุ่งห่มเพื่อผ้าชาวบ้านก็ไม่เชิงมันควรจะชัดเจนว่าเราเป็นชาวบ้านต้องหาอยู่หากินและหาอยู่หากินเพื่อที่จะมีความสุขเพื่อที่จะมีความกระตอรือรือร้นก็ต้องมีเป้าหมายให้วิ่งชนเข้าใจนะขอบครับสวัสดีค่ะอยากอยากถามเกี่ยวกับ แบบยังไงดีคือที่ทํางานอะคะ่ะมันจะมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเหมือนเขาเอาเปรียบคนอื่นแล้วเขาก็เอาเปรียบเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามแบบเวลาเรารู้สึกเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดออกไปว่าเรารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเราเราก็จะแบบเหมือนกับดูข้างนอกอาจจะเฉยแต่ในใจรู้สึกไม่ค่อยดีอะที่เขาเอาเปรียบถูกครั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ทํางานไปเรื่อยๆ ใจนึงก็คิดว่าบอกตรงๆเลยดีไหมว่าเรารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเราตลอดที่ทำงานด้วยกันแต่ใจนึงบางทีเราก็ให้อภัยเขาบางทีเราก็สึกเขาก็มีแง่มุมที่ดีของเขาตัวของเขาเองเหมือนก็อยากจะทราบว่าเราควรจะแบบคิดยังไงให้ใจเราเป็นสุขอะคะ่ะตอนถูกเอาเปรียบนะไม่มีความคิดหลอกตัวเองไหนๆที่ทำให้เรามีความโตขึ้นมาได้หรอกเพราะมันเห็นอยู่ชัดว่าถูกเอาเปรียบ แล้วความเห็นไงตัวของคนนะมันเหมือนก้อนความทุกข์มันเหมือนมีแดงปั่นประเทือนของความทุกข์ที่อัดเข้ามากระแทกใจเราแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันเกิดความรู้สึกมืดดำตามไปด้วยอย่างที่พี่พูดมาเนี่ยคือภาวะความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปจักอยู่ แต่ไม่ได้ดูเพราะว่ามัวแต่ไปคิดว่าไม่แน่ใจควรจะทํำยังไงดีอตอนนี้พอมองตามที่พี่พูดเนี่ยเรารู้สึกสบายใจขึ้นไหยมันโล่งขึ้นใช่ไหมแล้ว ร, รู้สึกสว่างขึ้นไหมมันมีกุศลจิตมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็รู้สึกค่ะแต่นนใจนึงก็ยังคิดว่าเนี่ย <วะ S 1> ตัวนี้เดี๋ยวเอาเป็นขั้น คือพอมีกุศลจิตมีความสว่างพี่จะบอกว่านี่แหละความพร้อมที่ใจมันจะคิดอะไรดีๆขึ้นมาเมื่อกี้โจทย์ของน้องคือตรงนี้ไงว่ามีวิธีคิดยังไงให้จัดการกับไอ้คนเห็นไงตัวแบบนี้ได้คําตอบของพี่ไม่ใช่ว่าจงคิดอย่างนี้นะจงจําไว้ว่าต้องคิดอย่างนี้นะแต่ เริ่มต้นขึ้นมาให้ยอมรับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในเราบ้างคือพอเห็นหน้าเนี่ยมันก็ไอ้เนี่ยก่อนทุกมาแล้วเพราะคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีลังสีความมืดที่มันลอยออกมาแต่ไกลเลยพอดูหน้าปุ๊บพอเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยมันเตือนให้เรานึกถึงไอ้ความเห็นแก่ตัวที่ผ่า น, านมาของเขาทันทีแล้วคาดหมายด้วยว่าเดี๋ยวมันจะมาเอาอีกแน่ย เข็ยนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะประเด็นคือถ้าเราเห็นความจริงอะไรจะเกิดขึ้นพอเรารู้สึกนี่เห็นหน้าปุ๊บเนี่ยมันมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าต้นเหตุของความทุกข์คือภาพที่มากระทบตาแล้วทำให้เกิดการปรุงแต่งทางใจเป็นปฏิกิริยาสวนออกไป นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนะพอเราเห็นว่านี่ต้นเหตุของความทุกมาแล้วแล้วความทุกขเกิดขึ้นจริงๆด้วยที่ใจของเราของน้องเนี่ยมันจะมีความรู้สึกห่อเหี่ยวมันจะมีความรู้สึกเหมือนจิตมันมันหดแคบลงมันเหมือนกับลูกหนูที่กําลังจะโดนแมวขยี้แต่ว่าหนีไปไหนไม่รอดประมาณนั้น ทีนี้พอครั้งต่อไปลองสังเกตดูอย่างนี้แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกเลยคือมันเห็นว่าปฏิกิริยาทางใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการเห็นจะจิตหดแคบหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกำลังจะเข้ามาโดนเข้ามาเอาเปรียบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ ผสมอยู่ในอารมณ์โกรธกับอารมณ์เกลียดชังไม่พอใจมันจะมีความรู้สึกมึนมขึ้นมาแต่ถ้าเห็นทุกครั้งว่ามันมีมีแบบเนี้ยที่พี่ว่าเนี่ยเห็นปุ๊บเกิดปฏิกิริยาทางใจแบบนี้ปับ๊บมันจะค่อยๆกลายเป็นสติขึ้นมาสติจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเห็นความจริงแต่เดิมมันไม่ใช่ไง มันคิดอย่ว่าจะเอาอยัางไงดีเอาตัวรอดก็ไม่ได้มันไม่มีทางหนีไปไหนส่วนว่าจะพูดไปมันก็เหมือนกับกลัวเสียน้ำใจของเราเต็มไปได้วยความกลั ว, ก ล, ว, วกลัวว่าจะนั่นอย่างนั้นกลัวว่าจะนั่นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นอาการหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่อย่างเปล่าประโยชน์ ทีนี้แทนที่เราจะไปหมกมุ่นรุ่นคิดอย่างเปล่าประโยชน์เราเห็นความจริงเหล่านี้แล้วใจมันเกิดความรู้สึกว่านี่มีสติขึ้นมาแล้วมีสติเห็นความจริงในเราแล้วแล้วมันเกิดกุศลจิตตรงกุศลจิตเนี่ยเวลามันพูดอะไรออกไปมันดีหมดเนี่ยขนาดเราบอกให้บอกว่าเออคุณแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันจะไม่ได้พูดออกไปด้วยอารมณ์ร้าย มันจะพูดในแบบที่เขาเองเขารู้สึกได้ว่าเรามีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่น่าขัดเคืองเป็นความรู้สึกที่ดีที่จะฟังว่านี่ตรงนี้มันไม่ถูกต้องแต่ปกติเนี่ยคนเราเวลาพูดกันนี่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมันปนออกมาแล้วด้วยโทสะมันเป็นอกุศลจิตให้คนฟังก็ไม่พร้อมจะฟังหรือฟังแล้วก็ไป เกิดการปรุงแต่งในแบบนี้อยากจะโต้อตอบกันไม่รู้จบประเด็นของพี่คืออย่างนี้ถ้าเรามีกุศลจิตนะวิธีการมันจะเกิดขึ้นเองคําพูดไม่ว่าเราจะคิดคําพูดอะไรขึ้นมันได้มันจะพูดอย่างมั่นใจวันเนี้ไม่ได้ไปทําร้ายใครเขาไม่ได้อยากจะให้เขาตะกายเครื่องแต่อยากจะให้ระบบมันเป็นระบบงานเป็นงานแล้วจิตของเราก็ไม่ได้เสียหาย ถึงแม้ว่าเขาจะโต้เถียงหรือว่าเล่นมุกอะไรจะให้ยัดเยียดให้เรารับผิดชอบแทนให้ได้เนี่ยการโตเถียงมันก็จะไม่เป็นไปใ น, น, นทางที่ทําให้บาดหมาง ก, กันแต่เป็นไปใ น, น, นแบบที่ว่าเขาเล่นมุกอะไรมาแล้วก็เล่นมุกกลับด้วยด้วยความเป็นกุศลจิตคนเรามีเรื่องกัน เพราะโทสะไม่ใช่เพราะคําพูดจำตรงนี้ไว้นะถ้าคําพูดของเรามันออกมาจากกุศลจิตมันไม่มีเรื่องหรอกหรือถ้ามีเรื่องไอ้นั่นแสดงว่าเขาหาเรื่องแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเราแน่ๆ แ, แล้วนะคบคุณค่ะมีคนแถวหน้ายังไม่ได้ถามคนหนึ่งเดี๋ยวให้ถามก่อนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวค่ะก็ให้พี่ช่วยดูนิดนึงว่าคิดไปเองหรือเปล่ากับอาการป่วยอะค่ะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเร็วมากแล้วมันมาหลายทิศทางจนสับสนว่าหมอเองหรืออะไรเองก็ยังหาไม่ได้ค่ะ แต่ตอนนี้เหมือนมีเป้าหมายคือรอวันที่มันจะหายอะค่ะแล้วก็คิดว่ามันหายในไหนมันงงงหรือว่าอะไรคืออาการมันงงงในหัวหรือว่าอะไรอืมมันมันก็มีภาพทางการแพทย์รับรองว่ามันเป็นอะไรอะไรอะไรในแต่ละแต่ละจุดนะคะอ่าแต่ว่าคือความรู้สึกของเราทุกวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันงงงงหรือว่าเราเรางงว่าในแต่ละ การเจ็บป่วยมันน่าจะมีขั้นตอนของมันแต่กับกลายเป็นว่าคือบางทีมันก็พีคสุดแล้วมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความหมายของพี่เนี่ยเราแบบเดินเดินไปแล้วอาการมันเหมือนกับเป๋ๆงงๆหรือเปล่าไม่ค่ะแต่เป็นอย่างที่พี่บอกกับที่ทุกคนพูดมานี่คือโดนเกือบหมดเลยค่ะก็คือว่าเอัลไซเมอร์จะเป็นในลักษณะของการโฟกัสหรืออะไรเงี้ยคือใช่หมดเลยคือมันเหมือนกับมัน เราก็เลยไม่แน่ใจว่าจิตเราอ่ะมันเข้มมันพุ่งกับทุกๆุกอย่างที่มันจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าร่างกายมันวีคแบบฉับพลันนะคะแล้วมันจะกลับมาได้อย่างจับฉับพลันด้วยหรือเปล่านี้่นึกออกไหมคะคือปสามปีแล้วค่ะพอดีพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนบางทีเราแบงค์ไปเฉยเฉยค่ะตอนแรกถึงถามว่ามันรู้สึกงงงบ้างเบา คือคือคนที่จะงงๆเนี่ยมันมันเหมือนไงอยู่ๆมันสติมันหายไปเฉยๆไงมันเหมือนแบงค์ในหัวไม่มีอะไรความความคิดมันมันขาดช่วงไปอะไรแบบเนี้ยไม่เคยมีสักวินาทีที่ไม่คิดเลยค่ะมันคิดตลอดแต่นะคืออ่าคือคิดเนี่ยมันคิดแบบมีโฟกัส รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรก็คิดมีอีกแบบนึงคิดอะไรก็ไม่รู้มันเบลอถ้าถ้าคนคิดมาเยอะมากนะบางทีเนี่ยมันจะถึงขั้นที่ว่าสมองเนี่ยพังคือคือมันมันเริ่มประฏิดประต่อไม่ถูกคิดหนัก้าจนกระทั่งว่า สมองส่วนที่ทําหน้าที่รับรู้่มันมันชัดดาวไปเล็กๆแต่ว่าสมองส่วนที่คิดเนี่ยมันยังคิดต่อเข้าใจที่พี่พูดป่ะค่ะอ่านี่นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เคยเจอมาหลายเคสได้่องากคนที่เรียนเร็วเกินไปหรือว่าคิดเร็วเกินไปสนุกกับการใช้ความคิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางที ไอ้ส่วนของการรับรู้เนี่ยมันเว้นวักไปแต่ว่าไอ้ส่วนของความคิดเนี่ยมันยังคิดต่อเหมือนคนละเมอเหมือนคนอยู่ในความฝันแต่ว่ายังทำอะไรในลักษณะของคนเติรนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอะตรงเนี้ยคือจะจะถามตามที่พี่เห็นนหละเพราะที่รู้สึกมันเหมือนกับมันมีช่วงเว้นวักของการรับรู้ จากประสบการณ์ภายในของเราใจยังไงก็ว่าไปตามนั้นแหละนี่เรื่องเรื่องโรคภายไข้เจ็บหรือว่าเรื่องความแปรปรวนของร่างกายเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากการที่สมองทำงานผิดปกติหรือบางทีมันคิดมากเกินไปจนกระทั่งโหมดการรับรู้มันหายไปมีแต่ความคิดพูดง่ายๆมอเตอร์ปั่นอยู่แต่ไม่ทำงาน อมอเตอร์หมุนแต่มันไม่มีคอนเนคชันกับระบบการทำงานภายนอกโดยรวมมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดอาการผิดปกติขึ้นมารุนแรงเหมือนกับร่างกายมันควบคุมไม่ได้ ในบางจุดในบางอวัยวะอะไรเงี้ยนะในบางในบางเวลาซึ่งในทางการแพทย์มันไม่มีแบบผ่าตัดออกมาแล้วนี่ไงจุดเนี้ยมันผิดปกติอยู่แต่มันองรวมเี่ยใช่ค่ะมันมันมีอะไรบางอย่างมันไม่มี<ำ>แพทย์คนไหนตอบได้ในองค์รวมเลยแต่ว่าไปผ่ามาแต่ละจุดมันก็คือเจอทุกจุด <c oughs> ค่ะคือมันมันเป็น มันมันไม่มีจิก๊กซอที่ต่อกันแต่มันมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าถ้าวันหนึ่งที่เราคลิกกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเจอต้นเหตุอะคะ่ะอาณาปนานสติหรืออะไรก็ตามแต่ ม, มันจะหายไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือการปฏิบัติจำไหม น, นะอาณาปานสติมันเป็นมันเอาไว้สําหรับคนปกติไม่ใช่ไปแก้อาการผิดปกติ แต่ในเวลาที่ท่าดขันมันไม่ได้กำเริบมันเหมือนคนปกติแบบโอเวอร์ปกติด้วยซ้ำคือมันทำทุกอย่างได้เกินกว่าคนปกติเข้าใจเข้ใจ <c oughs> มันมันเหมือนไงร่างกายไม่ต้องพักผ่อนมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บางคนที่มันเหมือนไฮเปอร์แอคทีฟอ่ะนะมันก็จะมีอะไรที่ขาดขาดเกินๆนี้ที่จะแก้เนี่ยมันต้องแก้ที่ความเคยชินอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะ พี่รู้ว่ามันไม่ใช่ความเคยชินของเราแต่ลองลองดูเนี่ยการควบคุมเรื่องอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายทุกอย่างต้องสมดุลและต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ถ้าช้ากว่านี้ไม่ทัน ม, มันเหมือนกับพออะไรจับความสนใจเราไม่ได้เราไม่เอาเลย มันต้องถอนลงมาจากวิธีคิดแบบเดิมๆเนือว่าความเคยชินแบบเดิมๆที่นึกว่าตัวเองทำอะไรก็ได้แค่ไหนก็ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าต้องมีดิมิตทำงานแค่นี้ถ้าหยุดเป็นหยุดแล้วก็ไปเล่นเล่นในความหมายของการไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาแล้วก็อย่างการกินเนี่ย มันที่ผ่านมามันเหมือนกินอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเลือกอะ่ะทีนี้ลองเลือกดูทั้งวิตามินบำรุงสมองทั้งเ อ, อส่วนที่มันพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ในที่ ท, ที่อากาศมันดีๆหน่อยแล้วก็ฝึกคําว่าอาณาปันสติเนี่ยอยากให้ฝึกในลักษณะของแบบแบบพวกโยคะอะไรก็ได้ที่มันจะหายใจเข้าไปพอ นี่บางทีมันหายใจน้อยแล้วมันมีความเคยชินในการหายใจแบบสักแต่หายใจไปอย่างนั้นเองนี้ถ้าฝึกอานาปนานสติจริงหรือไปฝึกแบบโยคะเนี่ยมันจะเป็นการฝึกแบบรู้จักหายใจแล้วก็เห็นค่าเห็นความสําคัญของลมหายใจมันจะไม่ใช่แบบหายใจอ่อนๆก็ได้ไม่เป็นไรนึกว่าไม่เป็นไรนะ อย่าจำไว้ว่าอย่าฝากความหวังไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งม่ตรงนี้ตุ้มเดียวทุกอย่างจบไม่ใช่ไอ้นี่มันต้องแก้มากกว่านั้นนะชีวิตต้องสมดุลมันถึงจะเอาคืนเอาสภาพปกติกลับคืนมาได้ขอบคุณค่ะแล้วการไปเดินจงกรมแบบวิ่งวิ่งอย่างนี้ค่ะ วิ่งวิ่งจงกรมอค่ะของเราน่าจะเวิร์กหน่อยไปมาแ ล, แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตายเป็นตายอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาแล้วก็เออก็ดีเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนมันพุ่งไปจับแล้วเหมือนมันก็ไปฝากความหวังไว้จริงๆค่ะวิ่งยงกลมมาเหรอคือรู้แต่เท้ากระทบอย่างเดียวน ะ, ะมันไปไปมันช่วยได้มัไหมช่วยได้ค่ะช่วยช่วยช่วยสลัด ความรู้สึกว่าเราแย่ค่ ะ, คะช่วยให้กลับมาเป็นอีกคนใหม่เลยค่ะนี่ทำงานอะไรเนี่ยธุร ก, กิจส่วนตัวค่ะพี่ว่ามันเบาบางลงเยอะแล้วนะไอ้ก้อนอะไรที่มันหนักๆ <c oughs> ไอ้ช่วงที่มันรู้สึกแย่จริงเนี่ยมันจะเหมือนกามีพายุ มีอะไรหนักๆเป็นก้อนๆเรารู้สึกได้มันเหมือนเมียอะไรมาโป้หัวแต่นี้มันเบาบางลงเยอะเมื่อกี้มาไม่ทันตอนนั่งสมาธิใช่ไหมคเคยเคยลองนั่งสมาธิแบบที่พี่สอนว่าเคยค่ะลองลองทําดูเรื่อยๆแต่วิ่งยงกลมมาหมอกับเราเคยทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ไมต้องทําอะไรจริงส <c oughs> ังอย่างหนึ่ง อย่างวิ่งโยงกลมเนี่ยถ้ามันเวิร์กแล้วอย่าหยุดเพราะถ้าหยุดเนี่ยมันมันจะน่าเสียดายแกมาถูกทางแล้วสวัสดีค่ะคื อ, อวันที่พอดีเข้าไปอยู่ในหน้าธรรมเนียปอะค่ะ ช่วงที่เขาปิดล้อมแล้วก็ไปอดอาหารระไอย่างนั้นมาคือแปลกใจเองว่ามันไม่มีความกลัวเลยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะแบบเห็นเหมือนเห็นอันตรายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นเขาเอาวุธอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าตัวเองไม่คิดอะไรหรือเป็นเพราะว่าตัวเองแบบวางอะไรได้หมดอะไรอย่างเงี้ย ก็มันเริ่มวางมาตั้งแต่เห็นร่างกายมันไม่ใช่ของเราแล้วนะ <c oughs> นี่ก็จะเห็นจะกระทบอะไรเนี่ยบางทีมันเกิดความวางเฉยขึ้นมาหรือเกิดอุเบกขาอะไรขึ้นมาแล้วก็มองไปว่าเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งของจิตมองเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรเมื่อต่สงสัยว่าเพราะอะไรมันก็เลยไม่ได้มองในภาวะที่กําลัง ปรากฏขึ้นเป็นจิตของเราการปรุงแต่งจิตของเราในขณะนั้นนะว่าวันนั้นคือลูกสะอาวก็อยู่ด้วยค่ะทั้งที่น่าจะห่วงที่สุดก็ก็ไม่ห่วงเ ล, เลยคิดว่าเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปด้วยกันมันก็เลยยิ่งแบบมึิ่งมาสงสัยเนี่ยว่าเป็นเพราะว่าเราหมดห่วงเขาจริงๆหรือว่าหรือเพราะเราไม่ได้คิดอะไรมองเป็นภาวะทางใจแล้วกันเ อ, อ่อการ การที่เราจะรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะรู้สึกยังไงเลยมันเป็นของชั่วคราวหมดคือถ้ามองแบบนั้นเนี่ยมันจะได้มองเข้ามาที่ปัจจุบันแต่ถ้ามองแบบขุดคุย้ยมันจะรู้สึกว่ามีความสงสัยขึ้นมาห่อหุ้มมาห่อหุ้มสภาวะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุนคือครั้งที่แล้วพี่ตุนบอกว่าให้ไปดูกับที่มันมีความกวนกวายอะค่ะ ก็พอไปดูก็เห็นบ้างแต่ทีเนี้ยอยากจะมันเป็คดีขึ้นตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหมพอเราดูแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยตอนเนี้ยพอมันกระวนกระวายขึ้นมามันไม่มากเท่าเก่ามันเหมือนกับยังมีความกระวลกระวายแต่มันอ่อนกําลังลงคแล้วพอดูไปดูไปเอ้ยมันก็มีช่วงเว้นบักตอนที่มีช่วงเว้นวักเนี่ยมันจะกลับมาดูใหม่ได้ชัดขึ้นคแต่ถ้ามันกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่รู้จะดูตรงไหน มันเหมือนกับว่ามีความสม่ำเสมอของความกระวนกระวายแต่เนี้ยมันมีมากบ้างน้อยบ้างตัวมีมากบ้างน้อยบ้างนี่แหละที่เราจะเห็นถึงความไม่เที่ยงของความกระวนกระวายนะดูไปถูกแล้วเขากําลังจะถามเรื่องไปรักพอดีอ่ะค่ะก็คือดูดูตรงนี้คือที่ดูมาเนี่ยจนกระทั่งมันเกิดอาการเว้นวักมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่มันเกิดขึ้นกับเรา แต่ก่อนพอกระวลกัวัยนะคือจริงๆความกระวลกังกวายเนี่ยนะมีหนักบ้างเบาบ้างเสมอในทุกคนแต่ที่ผ่านมามันมองไม่เห็นไงว่าหนักตอนไหนเบาตอนไหนเพราะดูเหมือนกับกระวลกังกวายต่อเนื่องเป็นพืชใันนี้บางบางช่วงมันรู้สึกเว้นวักมันเหมือนหายไปมันเหมือนโล่งๆสบายใจ ตอนที่เราโล่งเราสบายใจเนี่ยแล้วเกิดความกระวนกระวายก่อตัวขึ้นมาใหม่มันเห็นได้ชัดที่สุดไม่เนี่ยส่วนเกินกลับมาแล้วแนะลองสังเกตตัวเองด้วยว่ามันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องน้อยลงแต่ก่อนมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะยิง่งเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วผูกใจเจ็บ หรือไม่ก็เรื่องในอนาคตที่เรากังวลว่ามันจะได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์ไปโดยปล่าประโยชนแ์แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกับเรายังคิดอยู่นะแต่คิดแล้วมันหยุดมันไม่คิดแล้วยืดเยอะแต่ก่อนคิดแล้วยืดเยอะไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้แต่นี้พอคิดึ้นมาปุ๊บแล้วมันเหมารวมเป็นพวกเดียวกันกับความกระวนกระวาย มันก็เหมือนกับแป๊บหนึ่งแล้วมันก็เอ้ยไม่เอาละไม่คิดละคือไม่ใช่ฝืนใจแต่มันรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออไม่อยากคิดละแต่เสร็จแล้วมันก็อาจจะย้อนกลับมาบ้างเราก็ดูอีกดูเรื่องการผูกใจเจ็บด้วยนะของเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขน ตอนหลังเนี่ยมันอาจจะเจ้าคิดเจ้าแขนน้อยลงแต่มันมันยังคันอกคันใจอยู่นี่ดูอาการคันอกคันใจอ่ะว่านี่มันคิดถึงหน้าใครบางคนขึ้นมาคิดถึงคาพูดของเขาคิดถึงไอ้คำสัญญาหรือคิดอะไรเนี่ยมันรู้สึกคันคันขึ้นมาเห็นว่าไอ้อาการคันอกคันใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกัน เป็นพวกเดียวกันกับความกระวนกระวายนั่นแหละถ้าเรารู้สึกถึงมันได้ที่ลมหายใจนี้อีกลมหายใจหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ยอ่อนกำลังลงแล้วไม่ต้องแกล้งให้อภัยเพราะมันแกล้งกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเห็นอาการคันอกคันใจไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงอยู่ๆมันจะหายไปเอง มันไม่อยากเอาเรื่องเอาดาวคือในทางโลกเราอาจจะต้องปฏิบัติอะไรบางอย่างอาจจะต้องพูดอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่ว่าทางใจเนี่ยคือมัอนเอาไปไปเรียบร้อยแล้วบางทีนะเหมือนกับเรายังเอาเรื่องอยู่แต่ว่าใจอ่ะไม่มีอะไรในตรงนั้นคือเรียกว่าได้ใช้ชีวิตแบบคนที่จะเดินสติ ในระหว่างเป็นกะลาวาจริงๆของเราทุกวันนี้บางทีมันก็เหมือนกับใจสบายเมืันเหมือนอภัยได้แต่มันมันแกล้งแกล้งอะ่ะคือมันมันตอนที่กําลังใจดีตอนที่กำลังมีกุศลเนี่ยมันมันเหมือนเนี่ยทำเป็นลืมๆไปซะแต่ถ้าเรามาสังเกตความไม่เที่ยงของอาการเนี่ยคนออกคันใจอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันจะไม่แกล้งให้อภยัย มันจะรู้สึกเองเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันแค่นี้มันแค่รู้สึกคันอกคันใจมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นการอภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าใจเราเนี่ยยกออกถอนออกจากความรู้สึกไปผูกพันไก่ต้นเหตุมันมาเหลือแค่ตรงนี้แค่ว่าคันอกคันใจเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงอยู่แต่มันไม่สนใจต้นเหตุละ ไอ้ น, นี่มันยังสนใจต้นเหตุอยู่แล้วก็แกล้งอภัยจ้าเราช่วงนี้นี่คือกำลังสมาธิพอไหมคะเพราะยังรู้สึกว่าบางครั้งมันยังเหมือนกำลังไม่พอที่จะรู้พี่ว่าที่มันจะมีกำลังยังไม่เนียนยังเป๊ะๆอยู่บ้างก็เนี่ยไออาการที่ว่าเราเราเจ้าคิดเจ้าแขนเนี่ย ลองสังเกตดูดิเวลานั่งสมาธิมันชอบมีอะไรผุดขึ้นมาบางทีเราไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าสำรวจเข้าไปดีๆมันจะมาจากไออารมณ์คาใจบางทีมันไม่มีเรื่องอยู่ในหัวนะแต่แต่ความรู้สึกเนี่ยมันยังคล้ายๆ ค, ความคันออกคันใจอะ่ะพอจะเข้าใจไห ม, มอืมออร้อน เออมันมันจะรู้สึกขึ้นมาในระหว่างนั่งสมาธิทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้คิดถึงต้นเหตุนะแต่มันมันมีไอ้ตัวนี้รบกวนขึ้นมานะวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่แกล้งอภัยแต่ว่ามนดูความไม่เที่ยงของสิ่งที่มันรู้สึกอยู่ในอกนะและ้ว อ, อันนี้มันจะช่วยเรื่องสมาธิให้ดีขึ้นด้วยคือบางครั้งพอไปดูแล้วมันมันเหมือนถลำลงไปคลุกอะ่ะก็ต้อง สังเกตเนี่ยขอตั้งหลังตรงอยู่ในอาการนั่งตรงนี้จะช่วยได้พอพอเราไปเพ่งคับแคบมันก็ถล่ำเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเรายังรู้อยู่เนี่ยกําลังนั่งอยู่นะแล้วในอาการนั่งอยู่เนี่ยตรงส่วนกลางๆของท่านั่งเนี่ยมันมีความรู้สึกชนิดนี้ขึ้นมาลุกลีกลุกลิกมันก็จะได้ไม่โฟกัสเข้าไปแบบคับแคบ ครั้งที่เราพิ่ตุรให้ไปดูอาการที่มันครึ่งครงกลางๆางกับการกระทำอะไรหลายๆเรื่องครับทั้งๆปฏิบัติทั้งๆโลกแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มรู้สึกมันเข้ากับเข้าสู่ความเป็นกลางได้มากขึ้นนะฮะใจมันเต็มขึนม้นเต็มขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมันครึ่งๆ ก, กลางๆางใช่ไหมครับ เนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วพอใจมันเต็มขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นเหมือนกับจะตั้งจะรู้อะไรมันรู้จริงๆจนจบแล้วมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะทำไปอย่างที่ทำแล้วก็ เห็นไหมคือมันแค่จัดการกับวิธีคิดจิตมันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมาดีแล้วทําต่อนะขอบคุณครับสองคนนึ้ไม่ได้ลงทะเบียนน ะ, ะโอเคครับอย่างนั้นขอบคุณมากที่มาร่วมเสวนากันวันนี้นะสวัสดีครับ